บรรยากาศแบบนี้เท่าที่จตมาสังเกตนะที่ฮอลแลนด์ก็มีอยู่เยอะนะแม้กระทั่งในเมืองหลวงอมนะัมสเตอร์ดัมก็หาที่สงบแบบนี้ได้ไม่ยากนะที่จริงไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนสาธารณะนะแม้กระทั่งในในเมืองนะมันก็จะพบบางมุม ที่รู้สึกสงบอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เรานั่งเรือนะตรงริมตลิ่งเนี่ยก็ท่านที่เป็นช่วงที่อยู่กลางเมืองแล้วนะมีบนบกก็มีศูนย์การค้ามีอะไรมีห้างร้านแต่ว่าตามริมน้ำนะก็สงบพอสมควรคนก็มานั่งนั่งพักผ่อนกัน การอยู่ในที่ที่สงบนะถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นพรหรือเป็นโชคก็ได้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้เจ้าได้สรรเสริญในบทในในคำตรัสของผู้เจ้าหรือคํำสอนของพผู้เจ้าที่ชื่อโอวาทปาติโมกนะที่ผู้เจ้าเวลาพอถึงวันวันมาฆบูชาเนี่ยก็ต้องมาพูดถึงโอวาทปาติโมกเพราะเป็นวันที่ผู้เจ้าได้ ได้แสดงธรรมในวันมาฆ บ, บูชาทุกที่เราถือเป็นวันหยุดทุกปีเนี่ยในโอวาทปฏิโมพผู้เจ้าก็จะเริ่มต้นด้ว ย, รยประโยคสมประโยคซึ่งพวกเราคุ้นเคยดีนะคือการทำความดีการไม่ทำบาปการไม่ทำบาปการทำความดีแล้วก็การทำจิตให้ผ่องแผ้วก็คือละชั่วทำดี หรือว่าเวนะ้นชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตให้ผองใสเนะี่ยแล้วพระเจ้าก็จะอธิบายจนกระทั่งมาถึงตอนหนึ่งพระเจ้าก็ตัดว่าเนี่ยการนอนการนั่งในที่สงบนะอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าแนะนำนอกนจากการรู้จักประมาณในการบริโภคนะพวกเรานี่ได้ได้ไดเมอการมาอยู่ในที่ที่สงบสงัดนะซึ่งก็คงไม่ใช่เฉพาะ ในสวนสาธารณะแม้กระทั่งในที่พักอาศัยของเรานะก็ถ้าว่ามันเป็นที่ที่สงบสงัดนะก็ถือว่าเราไดนะ้ได้ใกล้ชิดกับธรรมะเพราะความสงบสงัดนี่ทำให้ใจเราเป็นสุขนะพูดได้ว่าความสงบเป็นชื่อของความสุขนะเวลาพูดถึงความสุขเนี่ย หลายคนมักจะนึกถึงความความสนุกหรือว่าสีสันรสชาติเมื่อได้เสพ บ, บางอย่างเราจะมาว่าความสุขนี้ถ้าจะจำแนกมันมีอุดสองชนิดนะความสุขประเภทแรกเนี่ยคือความสุขที่เกิดจากการเราจิตกระตุ้นใจมีสิ่งมากระทบผาาัสามากระตุ้นผัสสะ อย่างเช่นอาหารเนี่ยอาหารก็เป็นแหล่งเป็นที่หมายความสุขได้หลายคนมีความสุขเมื่อได้กินอาหารอร่อยเพราะอะไรเพราะว่ารสชาติอาหารมันไปกระตุ้นลิ้นมันไปกระตุ้นนะเขาเรียกว่าเป็นการกร้าจิตจนะรรกระตุ้นใจนะเพลงเพราะทําให้คนมีความสุขเพราะเพลงมันไปเร้าจิตกระตุ้นใจนะเราจะพบว่าความสุขที่คนส่วนใหญ่รู้จักเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่เกิดจากการที่มีสิ่งมากระตุ้นเราจิตใ จ, ใจ ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเพลงเพราะอาหารอร่อยหรือว่าการได้ไปเที่ยวได้เจอนะีได้เจอสิ่งที่แปลกหูแปลกตาหรือแม้กระทั่งการไปชอปปิง้งนะหลายคนไปหาความสุขก็กไปเดินทางนะซ่าคนที่นี่คนแถวนี้คนในยุโรปไม่ค่อยไปเดินทางเท่าไหร่นะถ้าเทียบคนไทย ไปสเปนนี่เขาบอกมีแต่คนไทยไปเดินห้างกันคนสเปนก็ไม่ค่อยเที่ยวห้างเป็นความสุขนะแบบหนึ่งนะเพราะว่ามันคนได้ไปเจอกับสิ่งที่สิ่งที่มาร้อนจิกระตุ้นใจนพวกสินค้าแบรนด์เนมต่างๆไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรนะั่ต้องคอยได้ไปดูนะหรือว่าการได้ไปเที่ยวสนุกสนานเนี่ยนะอาตมาจัด อยู่ในความสุประเภทนี้แม้กระทั่งการการเล่นเล่นการพนันนะเล่นการพนันแล้วก็ติดการพนันนะรวมทั้งติดล อ, อตเตอรี่นะพอถึงวันที่1 16ก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็จะเริ่มรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระสาวกระเฉงมันก็เป็นการมันก็เป็นการรักิกระตุ้นใจแบบหนึ่งนะเนความสุขนี้คือความสุขประเภทแรกนะ อีกความสุขประเภทนึ่เป็นความสุขที่แท้ไปตรงข้ามกันเลยคือความสุขที่เกิดจากความสงบจิตเนี่ยพอมันสงบเนี่ยมันก็จะเกิดความสุขอีแบบหนึ่งมันคนละแบบกับความสนุกความสุขนี้มันต้องมีการเร้าต้องมีการเสพนีความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยนะมันทางทางพุทธศาสนาก็ถือว่าประเสริฐกว่าความสุขประเภทแรกเพราะว่ามันมันเป็นของแท้กว่าแล้วก็ยั่งยืนกว่า ความสุขที่เกิดจากการร้อนจิต ก, กระตุ้นใจเนี่ยนะข้อดีคือมันมันมันสุกได้เร็วนะกินอาหารอร่อยเนะี่ยสุกง่ายนะฟังเพลงเพราะเนี่ยฟังเพลงฟังเพลงที่มีความสุขจากการฟังเพลงนี้ก็มีความสุขง่ายนะแต่ว่ามันมันจางเร็วนะอาหารเนี่ยนะมื้อแรกเนี่ยจะเป็นอาหารที่เราชอบหรือเป็นอาหารที่เราชอบเนี่ย มือแรกนี่อร่อยนะหรือว่ายิ่งําแรกดูยิ่งอร่อยแต่สมมุติเรากินทุกวันเช้าก็กินกลางวันก็กินเย็นก็กินเท่านั้นไปพอนะวันรุ้งขึ้นกินใหม่นะวันที่2องก็กินวันที่3ามก็กินวันที่สกินเนี่ยเราจะพบเลยนะว่าความความความสุขจากการกินเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงจากความอร่อยกับความเป็นรู้สึกความเฉยๆแล้วถ้ากินต่อไปเฉยๆก็กลายเป็นความเบื่อแล้วถ้ากินต่อไปอีกนะ อาหารจานเดิมเนี่ยจากความเบื่อก็คอย ม, มันก็เริ่มจะเริ่มเบื่อนะแล้วก็เริ่มเอียนแล้วจะกินต่อไปอีกนะคราวนี้อาเจียนเลยใช่ไหมเ<ม>พลงที่เพราะเนี่ยนะก็เพราะฟังครั้งแรกสองครั้งแรก3าครั้งแรกแต่ถ้าฟังครั้งที่20เนี่ยเริ่มจะไม่เพราะแล้วเริ่มจะไม่มีความสุขแล้วนี่คือเพ ร, ร, ะราะว่าทําไมคนเนี่ยฟังเพลง คิดได้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนนะเสื้อผ้าก็เหมือนกันนะเสื้อผ้าเี่โอ้ตอที่ได้มาตอนที่ซื้อมานี่โอ้ยมีความสุขมากเลยแต่ว่าใส่ไปสักสอาครั้งก็ยังก็ชักเละมองหาเสื้อผ้าตัวใหม่แล้วบางคนนี่ซื้อมาไม่ทันได้ใส่เลยผ่านไปเดือน 2, 2เดือนเบื่อแล้วจะเอาตัวใหม่ใช่ไหมฮะนี่คือความสุขนี่คือลักษณะความสุขนะที่เกิดจากการเสพ จากการรักจกระตุ้นใจคือมันมันเบื่อง่ายนะมันไม่ใช่แค่นั้นนะที่จริงมันมันมันหาได้ยากด้วยคือมันต้องใช้เงินนะมันต้องแย่งกันร้านอาหารบางร้านนี่อร่อยนะต้องเข้าคิวใช่ไหมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาไปญี่ปุ่นมามันมีร้านอาหารที่ดังมากในเกียวในโตเกียวนะชื่อซูชิโดเลยมั้งซูชิเนี่ยนะ ก็ดีมากนะเพราะว่ามาจากตลาดตลาดปลาที่มีชื่อมาซูจิกิแล้ทุกอย่างไนงะแกไปเข้าคิวตั้งแต่หกโมงครึ่งนะนะแกแกได้มันได้กินแต่ประมาณเกือบเก้าโมงต้องเข้าคิวรอนะเนี่ยแต่แกก็รอนะเพราะว่าถ้าไม่กินถ้าไม่ได้กินก็อาจจะไม่ได้กินอีกนานเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวเนะี่ยคือของ ความสุขประเภทนี้มันต้องแข็งมันต้องบางทีมันอาต้องแย่งกันใช่ไหมมันต้องแย่งแล้วมันเหนื่อยในการหาเหนื่อยในการครอบครองนะแล้วก็เหนื่อยในการรักษาด้วยนะเช่นถําเมว่าหลายคนมีความสุขเมื่อได้สวมเพชรสวนอัญมณีเพชรอัญมณีมันก็เราจิตกระตุ้นใจนะมันเป็นประกายของมันนะประกายเพชรประกายทองนี่โอ้มันมันทําให้ใจมีความสุขนะไม่ได้เห็น แต่ว่ามันก็เหนื่อยในการรักษานะต้องระมัดระวังแล้วก็ของวันนี้เนี่ยมันหายได้มันมีคนพร้อมที่จะจ้องขโมยไปใช่ไหมถ้าขโมยไปเป็นไงก็เสียใจเศร้านะง น, นความสุขความสุขประเภทแรกเนี่ย ม, มันได้มาง่ายก็จริงนะแต่ว่ามันมี มันก็มีโทษหลายอย่างนะเพรสมมตคือว่ามันมันจืดจางได้เร็วตรงข้ากับความสุขไประเทสองเนี่ยความสุขี่เกิดจากความสงบเนี่ยนะไม่ต้องไปแย่งกับใครนะทุกคนก็สามารถจะเสพรับหรือว่าสัมพันธ์กับความสงบประเภทนี้ไดนะ้แล้วก็มันสามารถจะอยู่กับใจเราได้นาน อย่างเราไม่ต้องมีเงินนะเรามาที่นี่เนี่ยนะเราก็สามารถจะสัมผัสความสงบได้ถึงแม้ว่าใหม่ๆจะยากหน่อยเพราะใจเราว้าวุ่นปรุงแต่งนะอยากจะให้พวกเราได้รู้จักความความสุขประเภทนี้ความสุขที่เกิดจากความสงบนะซึ่งมันมัน มันดูเหมือนจะตรงกันข้ามกับความสุขเพศแรกนะความสุขเพศแรกเกิดจาการเราจิตกระตุ้นใจความสุขเพศที่สองเกิดจากความสงบใจยิ่งสงบเท่าไหร่เนี่ยนะยิ่งพบกวับความสุขอย่างเมื่อสักครู่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะที่ทําให้ใจเราสงบนะตอนนี้ความสงบเนี่ยมันมีสองอย่างนะความสงบที่ต้องอิงอาศัยสถานที่นะเช่นนะ เราหลายคนมาอยู่ในที่แ้ถึงจะสงบได้หรือว่าอยู่ในที่ที่ไม่มีใครส่งเสียงรบกวนนะความสงบประเภทนี้เนี่ยตมาริชื่ออย่างนึงว่าเป็นความสงบที่เกิดจากการไม่ไม่เกิดจากการตัดการรับรู้นะเช่นถ้าไม่มีเสียงดังถึงจะสงบ นะถ้าปิดตานะการปิดตาเนี่ยมันก็คือการตัดการรับรู้แบบหนึง่งนะที่ทำให้ใจเราสงบการที่ไม่ไปรับข้อมูลข่าวสารนะปิดโทรศัพท์มือถือนะปิดโทรทัศนะ์มันก็สงบ หลายคนเนี่ยมีห้องพร ะ, ะเพื่อจะได้ตัวเองเนี่ยไปทำสมาธิไม่ต้องรับรู้อะไรใจก็สงบหลายคนโหยหาธรรมชาติอยากไปอยู่ป่าอยากไปวัดหลายคนมาวัดเขามาทำไมก็บอกว่าที่บ้านมันรุ่นวาย ก็เลยอยากจะมาอยู่วัดมาอยู่วัดรับสงบพ่ออะไรเพราะว่าจะได้ไม่ไม่ต้องไปรับรู้นะเรื่องราวของครอบครัวหรือต้อไม่ไม่ต้องฟังเสียงบ่นของคนที่บ้านเพราะว่าถ้าได้ยินเสียงบ่นแล้วใจไม่สงบความสงบแบบนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันมีความสงบที่ดีกว่านั้นคือความสงบ ที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งววดล้อมทั้งที่ได้ยินทนั้งที่เห็นแต่ว่าใจก็สงบได้ความสงบแบบนี้เนี่ยนะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแต่ความสงบเพราะไม่รู้หรือเพราะแต่การรับรู้ คามสงบแบบนี้เนี่ยนะมันมีข้อเสียอย่างหนึงคือว่ามันต้องอิงอาศัยสิ่งแวดล้อมมากถ้าเกิดข้างบ้านวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์เนี่ยเขาเปิดเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยนะบางทีเราก็ไม่สงบแล้วเพราะว่าข้างบ้านเนี่ยเปิดเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมคนที่เบอร์ลินนี่คนที่เยอรมันนี่เขาเล่าว่าถ้าจะดูดฝุ่นนี่ก็ต้องดูดหลัง10บโมงนะใช่ไหม หรือว่าถ้าไปมาตีก็ต้องไม่ไม่ดูดฝุ่นเลยนะถ้าไปดูดฝุ่นนี่เขาก็จะโวยว่าเขาโวยเพราะอะไรไเขาโวยเพราะเขาควไม่สงบถ้าดูดฝุ่นแล้วเนี่ยถ้าข้างบ้านเนี่ยหรือว่าถ้าห้องติดกันเนี่ยใช้เครื่องดูดฝุ่นแล้วจ่ายเขาจะไม่สงบนะก็ถึงมีระเบียบถึงมีกติกาอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นข้อเสียของความสงบที่ ที่ที่อิงอาศัยสิ่งแวดล้อมเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนี่เราคุมไม่ได้และถ้าเราจะอาศัยสิ่งแวดล้อมแบบนี้ถึงจะสงบได้เนี่ยเวลาสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหรือว่าเราเจออะไรที่ที่กระทบใจก็อาจจะจากที่สงบก็กลายเป็นความความขุ่นเคืองขึ้นมาหรือกลายเป็นความทุกข์มีคนหนึ่งแกไปที่เมืองไทยนะแกก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะ ก็มีการนั่งสมาธิเดินยังกลมเช้าบ่ายจนถึงเย็นแกก็สงบนะพอเสร็จคอร์สเนี่ยตอนเย็นแกกนะ็กลับออกไปขึ้นรถรถเนี่ยจอดเอาไว้จะกลับบ้านพรากว่ารถเนี่ยถูกมันมีคนมาจอดซ้อนคัน พอ เ, เห็นรถเนี่ยถูกจอดซ้อนคันนี่โกรธเลยนะโวยวายนะว่าเจ้าของรถคันนั้นทันทีคนที่เห็นเหตุการณ์ก็งงนะ เ, เมื่อกี้เพิ่งนั่งสมาธิมาดูสงบแต่ทําไมพอเจอรถพอเจ อ, อ, เจอ ว, วอนะอันนี้โวยวายด่าเลยเนียปฏิบัติธรรมยังไงนะมีคำถามปฏิบัติธรรมยังไงนั่งสมาธิยังไงถึงโกรธแบบนี้อันนี้ก็เพราะว่าเพราะว่าเขารู้จักแต่ความสงบประเภทแรกก็คือว่า สงบเพราะไม่รู้คือพอไปนั่งพอไปนั่งสมาธิอยู่ในห้องประชุมที่ติดแอร์เนี่ยไม่มีเสียงดังนะไม่มีคนในบ้านส่งเสียงบน่นหรือว่าโวยวายนะไม่มีข้อมูลข่าวสารมากระทบใจใจมันก็สงบแต่พอไปเจออะไรที่มากระทบใจเนี่ยนะก็จะโกรธได้ง่ายทันทีนะอันนี้เรียกว่าเป็นความสงบเพราะ อันนี้เป็นข้อจากัดของการสงบเพราะไม่รู้หรือเพราะตัดการรับรู้แต่ถ้าเกิดว่าเรามันเป็นไปได้ไหมที่ว่าเออมีอะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกเนี่ยใจเราสงบได้มันทำได้นะจะมีเสียงดังยังไงใจก็สงบได้นะ่ใครพูดอะไรมาหรือว่าใครทำอะไร ไม่น่ารักเราเห็นแต่ว่าใจเราก็สงบได้อันนี้ทำได้นะอันนี้เรียกว่าเป็นความสงบทางั้านที่รู้รู้ไนว่าคือรู้ว่ามีอะไรมากระทบนะแต่ว่าใจาไม่กระเพื่อมตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติมันเป็นเรื่องของการพัฒนาใจาให้มีคุณสมบัติที่ที่ ที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบจะทำงันได้เนี่ยใจมันต้องมีสิ่งหนึ่งนะสิ่งนั้นคือสตินะถ้าใจเลยมีสติเนี่ยนะพอมันกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้รู้ใจที่กระเพื่อมพอรู้แล้วเนี่ยมันจะวางไดนะ้สตินี่ช่วยทำให้วางวางอารมณ์ต่างๆได้ มันวางได้เพราะอะไรเพราะว่ามันรู้ทันสติทำให้ใจเนี่ยรู้ทันอารมณ์ที่รู้ทันอารมณ์ที่มากระทบแล้วก็รู้ทันเมื่อใจกระเพื่อมสติทำให้เราเกิดความสงบแม้ว่าสิ่งภายนอกนี่จะวุ่นวายก็ตามหลายคนเวลาไม่สงบเนี่ยเวลามีความทุกข์เนี่ยมักจะ มักจะโทษสิ่งภายนอกนะโทษเสียงดังโทษแดดร้อนหรือว่าลมหนาวลมหนาวก็ทําให้ไม่สงบได้นะนะทั้งที่อากาศสงบทั้งที่มันเงียบๆแบบเนี้แต่พอมีลมหนาวมาเนี่ยใจมันทุกข์ละความทุกข์นี่ก็ก็เป็นความไม่สงบแบบหนึ่งนะความไม่สงบอย่างแรกเป็นความสงบของสิ่งแวดล้อมนะไม่มีเสียงดังนะ ถ้ามีเสียงดังก็เรื่อไม่สงบแต่ว่าถ้าเป็นความไม่สงบทางกายมันมีความไม่สงบทางใจนะเพราะว่าใจกระเพื่อมและที่ใจกระเพื่อมได้เนี่ยเพราะว่าหลายคนมักจะโพสมักจะมักจะโทษสิ่งแวดล้อว่าเนี่ยเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้เป็นพเพราะจอนายเป็นเพราะลูกน้องเป็นเพราะแดดเป็นเพราะเพื่อนบ้านแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่ปัจจัยใหญ่ ปัจจัยหลัก ค, คือใจของเรานะใจที่ไม่มีสติเราจะมาเล่าจะเล่าตัวอย่างหนึ่งนะเป็นเรื่องของหลว ง, งปูบนะงป่บุตรดาหลวงปู่บุตดานี่ทาวโรท่านมารณภาพไป20ปีมาแล้วนะตอนที่ท่านมารณภาพก็อายุประมาณหนึ่งรหนึ่งปี้วเนี่ยเกิดขึ้นมาสักห้สิปีได้แล้ววันหนึ่งท่านก็ได้รับมิโให้ไปฉัน เพนในกรุงเทพนะวัดท่านอยู่สิงห์บุรีฉันเพนเสร็จเจ้าภาพก็อยาให้ท่านพักก่อนเพราะว่าถ้าท่านจะกลับวัดนี่มันไกลสิงห์บุรีสมัยนั้นก็ก็นั่งรถเนี่ยสองสามชั่วโมงนะหรืออาจจะนานกว่านนั้นก็จัดหาห้องให้ท่านพักนะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหานั่งเป็นเพื่อนลูกศิษย์ลูกหาในเวลาคุยกันก็จะกระสิบกระซาบไม่อยากให้ท่านไม่อยากรบกวนท่านแต่บางเอ่ยในห้องที่ติด ก, กันเนี่ย เป็นห้องเป็นร้านขายของชําเจ้าของเนี่ยเป็นคนจีนเป็นอาซิมคนจีนสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาเขาจะสวมเกี้ยเกี้ยไม้นี่คนทอนแรงกยง็ยังสวมเกี้ยอยู่ว่ะสวม<อ>ใช่ไหมอะไรเลยนะของเท้าไม้ก็สวมใช่ไหมเ อ, อ, อเสียงแล้วมันเดินแล้วดังใช่ไหมอ้อออมาวอาว่าตอนนี้แกก็เดินนะเวลาเดินเสียงก็ดั ง, ด, งดังเข้าไปในห้องที่หลวงปู่บุดานเนี่ย จำวัดลูกศิษย์ก็ไม่พอใจมีดหีดดขึ้นมาก็พูดบ่นขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่ท่านท่านหลับตาอยู่แนตะ่ท่านไม่าไ ม, ไม่ได้หลับนะท่านได้ยินท่านก็เลยเปรยขึ้นมาว่าเนี่ยเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราหูไปลองเกีย้ยวเขาเองเห็น <c oughs> ไหมหูเนี่ยเสียงเนี่ยเสียงเกีย้ยไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือเราเอาหูไปลองเกีย้ยถึงจะเกิดความทุกข์ใช่ไหมหูไปลองเกีย้ยเพราะอะไรเพราะหูไม่มีสติเพราใจไม่มีสติหูเลยไปลองเกีย้ยใช่ไหมเมื่อกี้มีเสียงเมื่อกี้ดังนี่นะถ้าใจเราไม่มีสติใจเราก็ไปอยู่ที่เสียงนั้นแนะใช่ไหมแล้วเราก็จะหงุดหงิดจะเราจะลาคานนะเวลาใจเราไปอยู่ที่เสียงเสียงเสียงเลือ่อยเสียงเครื่องยนต์นั่นนะเราไม่รู้ตัวนะทั้ที่อาตมาในหน้นอยู่นี้ใกล้ ใกล้ ก, ลกับพวกเรานะแต่เราไปจดจ่อเสียงที่มันไกลกว่านะอันนี้เราไม่มีสติเพราะเราไม่รู้ตัวเนี่ยความไม่รู้ตัวเนี่ยมันทําให้เราไปยึดติดกับเสียงเสียงมันดังขึ้นมาเราใจเราก็ไปยึดที่เสียงนั้นแล้วเราก็ทุกข์เองเสียงไม่ใช่ปัญหาถ้าเราไม่เอาใจไปจดจ่อกับมันใช่ไมไม่เอาหูไปแย่ที่เสียงนั้นนะสตินี่มัน คือกรณีหลวงปูว่วดาเนี่ยนะ<ม>เวลาได้ยินเสียงเกีย้ยและใจกับเพื่อมเนี่ยนะเออคนที่มีสติเขาจะรู้รู้แล้วก็จะวางเมื่อวางใจก็สงบอันนี้เราสงบเพราะรู้นะรู้คือรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราเนี่ยพวกเราเออควรจะได้รู้จักกับความสงบประเภทนี้บ้างนะเป็นความสงบที่ไม่ต้องอิงสิ่งแวดล้อมนะ เสียงจะดังนะเจ้านายหรือเจ้านายจะทำตัวไม่น่ารักหรือว่าลูกจะดือ้อนะแต่ว่าใจเราสงบได้นะทังความสงบเพศนี้เนี่ยมันไม่ต้องเกิดขึ้นต่อเมื่อเรามาวัดไม่ไม่ต้องเกิดขึ้นต่อเมื่อเรามามาที่สวนสาธารณะนะ กลับไปกรุงเทพนะกลับไปบ้านจะมีเสียงดัง <c oughs> นะใจเราก็สงบได้นะอาจารย์อยาให้เรารู้จักความสงบประเภทนี้เพราะไม่ทำให้เราเนี่ยอยู่ทุกอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ทุกที่ก็มีสุขนะนะและความสงบแบบนี้เนี่ยนะถ้าพัฒนาเป็นจุดหนึ่งเนี่ยนะแม้มีความทุกข์กายนะแต่ใจก็ไม่ทุกนะ วงป่บุญดามีอีกตอนหนึ่งท่านไปไปผ่าตัดเอานิ้วออกนะสมัยนั้นยังไม่มีอุตสาหผ่าได้ทัก15าที่าเสร็จทีท่านก็บอกหมอว่าไม่เป็นไรแล้วเครยังชั่วแล้วคือท่านจะออกแล้วหมอก็ตกใจเพราะว่าคนที่ผ่าน้อยกว่าท่านเนี่ยหลายคนยังยังบ่นว่าปวดเจ็บ หลวงปู่นี่จะออกแล้วหลวงปู่ไม่เจ็บเหรอหลวงปูท่ท่านก็บอกว่าเนี้ยร่างกายของฉันก็เหมือนคนทั่วไปแหละทําไมจะไม่เจ็บแต่ว่าใจมันไม่เจ็บด้วยนะเจ็บแต่กายนะแต่ใจไม่เจ็บนะเมื่อใจไม่เจ็บเนี้ยถามมาสงบไหมนะความสงบเกิดขึ้นได้แม้ว่ากายจะปวดนะ ไม่ใช่ว่าสงบจะสงบได้ก็ต่อเมื่อไม่เจ็บไม่ปวดนะไม่ใช่แม้ร่ากายมันจะ ป, ปวดใจก็สงบได้อันนี้เนี่ยเพราะว่าท่านไม่ใช่แค่มีสติท่านมีท่านมีปัญญาด้วยท่านมีปัญญาเห็นเลยนะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะ ถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมาในร่างกายนี้ว่าเป็นราเของเรานะถ้าไม่มีการปรุงแต่งตัวเราขึ้นมาเพราะเมืก็ตามที่เผลอปรุงตัวกูขึ้นมาเนี่ยเวลากายปวดมันจะไม่ใช่รู้สึกว่ากายปวดนะมันจะรู้สึกว่าฉันปวดเนะมื่อกี้ตอนตอนตอนเช้าเราก็เพิดเด่มเตือนมาทีแล้วนะเรื่องเรื่องฉันเครียดกับฉันเห็นความเครียดนะ ถ้าฉันเครียดคือว่าความเครียดเป็นตัวฉันนะแต่ฉันเห็นความเครียดคือว่าความเครียดก็อันหนึ่งฉันก็อนหนึง่ง <C ute> แต่ว่ากรณีหลวงปู่ด่านเนี่ยท่านมีปัญญาอยู่นัองเห็นว่ามันไม่มีตัวกูตั้งแต่แรกเพราะนั้นเวลาเวลากายปวดเนี่ยก็จะไม่ไปไม่มีความยึดมั่นว่าหรือสำคัญสรือสำคัญมายว่าฉันปวดก็เห็นแต่ว่าเออมันกายปวดเมื่อกายปวดเนี่ยแต่ไม่สําคัญเป็หมายว่าฉันปวด <C ute> เ, น, ว น, วดเวดนี่ ย, ยใจมันก็ไม่ปวดด้วยนะอันนี้เป็น ความสงบเพราะเกิดปัญญาเนะข้าใจเรื่องเข้าใจเรื่องว่าเข้าใจเรื่องอนัตตาไม่มีอะไรที่ยึดมันมาเป็นรเปของเราได้นะความสุขเพศนี้เนี่ยมันต้องเกิดจากการพิจรารณาจนเกิดปัญญานะ <c oughs> ก็ต้องอาศัยสมาธิภาวนาเหมือนกันสมาธิภาวนา ทำให้เกิดสติและสติที่เจริญ ก, ก็ทำให้เกิดปัญญานะซึ่งทั้งสติและปัญญาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะฝึกได้ในชีวิตประจำวันของเรานะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีพูดถึงความสงบเนี่ยนะนอกจากการทำสมาธิภาวนา เมืเกิดสติระบัญญาแล้วเนี่ยมันสามารถจะเกิดได้ด้วยวิธีที่ง่ายกว่า น, นั้นนะแต่ว่ามันเป็นความสงบที่อ า, อาจจะเป็นครั้งเป็นคราวแต่ก็มีประโยชน์เหมือนกันเป็นความสงบที่เกิดจากการที่เราทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นเช่เนชให้ทานเนี่ยเวลาเราให้ทานเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เวลาถวายพระเท่านั้นนะเวลาเราช่วยเหลือคนที่ลำบากเนี่ยใจเราเกิด ความปิติความปิติเนี่ยมันก็เป็นจับว่าเป็นความสงบชนิดหนึ่งนะมันจะไม่มันไม่เหมือนมันไม่มันไม่วุ่นวายมันความสนุกนะแต่ว่ามันทําให้เกิดความปิติทําให้เกิดความความอิ่มเอิบใจจับว่าเป็นความสงบเหมือนกันนะ<ม>แล้วมันทําให้เกิดความรู้สึกอิ่มเอิมอยู่ลึกๆ เขาเคยมีการมีการทดลองนะอันนี้ในในเมืองนอกระเจ้า จ, จนันรอเมริกาเอานักศึกษา ม, มาสองกลุ่มทุกคนในทั้งสองกลุ่มเนี่ยได้เงินสมมติว่าร้อยดอลลาร์กลุ่มแรกเนี่ยบอกว่าเอาไปเอาเงินเนี่ยรอยดอลลาร์ไปไปกินนะไปเที่ยวอะไรก็ได้นะนะไปกินอาหารไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ตามสบายเลย กลุ่มที่สองเนี่ยให้เอาเงินนี้เนี่ยเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นจะไปบริจาค ก, ก็ได้จะไปซื้อซื้อดินสอสีวาดภาพให้เด็กก็ได้ใช่หให้แต่ละคนคิดคิ ด, ค, ด, ค, ดคิดเราเอง <c oughs> แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> เขาก็มีการาให้ให้เขียนบันทึกความรู้สึกนะหลังจากที่ทำกิจกรรมนี้ ลราก็พบว่ากลุ่มหลังเนี่ยนะาจะมีความรู้สึกมีความสุขมีความภาคภูมิใจในตนเองมีความสุขดีกับตัวเองมากกว่ากลุ่มแรกนะพูดง่ายคือว่ากลุ่มที่สองเนี่ยมีความสุขมากกว่ากลุ่มแรกทั้งที่กลุ่มแรกเนี่ยได้เงินมาเนี่ยเอาไปเสพเอาไปเอาไปกินนะแต่ทำไม ถมีความสุขน้อยกลุ่มที่สองซึ่งไม่ได้เอาเงินไปใช้เสพเลยแต่เอาไปช่วยนะอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสนะว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้ละความสุขนะเมื่อเราให้ความสุขด้วยการให้ทานนะแม้เงินในกระเป๋าเราจะน้อยลงแต่เรามีความสุขได้มากขึ้นเป็นความสุขใจ แล้วถ้าเกิดว่าเราขยายทานเนี่ยยังรวมไปถึงว่าการที่มีน้ําใจไมตรีช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยนะเวลาเราเวลาเรามีอะไรแล้วเราแบ่งปันให้ผู้อื่นเนี่ยนะมันทําให้เกิดความสุขความสุขเพราะเพราะพราะได้ช่วยเหลือผู้อื่นความสุขเพราะเกิดมิตรภาพขึ้นมาทานเนี่ย รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลผืนที่เรียกว่าอัตจริยานะมันเป็นมันอยู่ในหมวดในธรรมหมวดที่ชื่อว่าสังขาวัตถุสสังขาวตถุสีมีทานปิยวาจาอัตจริยาสมานนตตาโดยแล้วแต่เรื่องการทําความดีทั้งสิ้นนะทำความดี ด, ด้วยด้วยด้วยสิ่งของเรียกว่าทานทําความดีด้วยด้วยวาจาเรียกว่าปิยวาจาทําความดีด้วยการกระทาเรียกว่าอัตจริยาและการร่วมทุลรวมสุขเรียกว่าสมานนตตาเนี่ย มันเป็นธรรมที่ช่วยสมานน้ำใจเรียกสังขารสังขารว่าสั ง, ส ง, ส, งสงเคราะห์สงเคราะห์แปลว่าสมานใจนะเวลาเวลาเวลาให้ทานเนี่ยหรือเวลาแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันทําให้เกิดความสุขเพราะว่าความสุขส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มันเกิดความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันคนเรามีเงินแค่ไหนนะแต่ถ้าเกิดอยู่คนเดียวนะไม่มีเพื่อนนะมันแย่นะ อันนี้เป็นปัญหาของคนในสังคมตอนตกมากคนที่เขตอนตกเนี่ยเขาก็มีก็ไม่ได้ ข, ขายขัดทองนะบางทีเลิมรวยแต่ว่าเราเพบว่าเขามีความหลายคนมีความทุกข์ใจเพราะว่าอยู่แบบโดดเดียเ่ยวเปล่าเปลี่ยวอันตรมาไปที่เบิร์ตนะไปที่เบิร์ตที่เมืองหลวงสวิสผ่านกำแพงไอ้ผ่านเดินผ่านถนนถนนใหญ่ถนนนึ่งนะเป็นสะพาน สะพานใหญ่มากเลยนะโบราณแล้วก็เก่าสวยแต่สังเกตนะว่าพ้นจากราวสะพานเนี่ยมันจะมีตะข่ายสูงประมาณสองสามเมตรเป็นตะข่ายเหล็กนะก็แปลกใจเพราะว่ามันทำให้ทัศนียภาพเสียราวสะพานนี่นมันสวยอยู่แล้วมันประมาณสองฟุตหรือสองฟุตครึ่งเนี่ย แต่ทําไมเนี่ยมันมีมันมีรั้วเป็นรั้วหรือตะข่ายเหล็กเนี่ยตลอดแนวเลยนะถามคนไทยที่นําเที่ยววันนี้สะพานเนี่ ย, าานยคนมาโดดโดดค่าตัวตายเยอะมากเลยนะโดดน้ําหรือว่าโดด ล, ลงพื้นเนี่ยคนสวิสอาตมากรุนเอาก็มีความกมาม็มีความชื่นที่ผาสุขมีความชื่นที่มั่นคงนะสวัสดิการก็ดีใช่มสวิตสวิสอะไอ้เพศอดตายไม่มีหรอกไม่ทํางา น, นยังมีกินเลย แล้วก็แต่ก็เชื่อว่าหลายคนที่ค่าตัวตายไม่ได้เพราะจนนะแต่เพราะอะไรเพราะมันมีความเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างในขณะที่คนอินเดียนะจนแสนจนนะหาใครฆ่าตัวตายนี่ยากนะใช่ไไม่มีฮะตายเองอญี่ปุ่นเนี่ยนะ มีมีคนหนึ่งเขาต้งองความสังเกต น, นะเขาชอบมาอินเดียเขาบอกว่าคนอินเดียเนี่ยมันจนยังไงนะตามมีแววหลายที่คนญี่ปุ่นหน้าตามไม่มีแววเลย mm hmm. นะคืออามาาอะไรคือปัจจัยทําให้มันเกิดความแตกต่างกันนะอาตมาว่าเชื่อเป็นเพราะความสัมพันธ์คือคนอินเดียเนี่ยถึงแม้ยากจนไงแต่มันมีเพื่อนมีชุมชนใช่ไนะ่มแต่คน เพื่อนมาหาเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าคนญี่ปุ่นเนี่ยรวมทั้งอาจจะรวมถึงคนในยุโรปเนี่ยนะเท่าที่เท่าที่มีความมีการพูดถึงกันเนี่ยมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์คือค่อนข้างจะอยู่กันแบบเป่าเปลี่ยวไ isolate เขาเรียกว่า i s o l โดดเดี่ยวไม่ต้องมาคิดว่าเนี่ยมันเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เติมความสุขให้กับชีวิตได้ดีทีเดียวแล้วอาจจะดียิ่งกว่า การมีทรัพสมบัติด้วยนะที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้แยกจากกันนะถ้ามีเพื่อนเนี่ยนะการที่จะจะมีชีวิตที่มั่นคงก็เป็นไปได้ได้ไง่ายเมื่อที่ที่แล้วไ ด, ได้อ่านงานวิจัยของขององค์กรหนึ่งที่เขาทำวิจัยกับประมาณส0สิประเทศก็พะว่าเขาเขาได้ข้อส่วนหนึ่งว่าการมีการมีเพื่อนการมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวเนี่ยมัน มันมีความสำคัญยิ่งกว่ารายได้หรืออาชีพ อ, อันนี้ผู้สายคนยากจนนะเพราะว่าถ้ามีเพื่อนดีนะโอกาสที่จะมีมีงานการมีอาชีพก็จะง่ายนะมีรู้จักคุณนิลมนเ ม, มทิสุวกุลไหมฮะ แกเป็นนักทําหนังเนี่ยาสารคดี <c oughs> ทุ่งหญ้าป่าใหญ่แต่รอบรมาสิบกว่าปีมาแล้วนะว่าวันหนึ่งเนี่ยมีคราหนึงเอากองถ่ายเนี่ยไปไปถ่ายทําสารคดีที่ต่างจังหวัดที่วัดตมาก็เคยมาเหมือนกันนะไม่ใช่วัดไม่ใช่ไม่วัดตมาแต่ว่าในหมู่บ้านที่ที่อยู่หน้าวัดตมาเนี่ยคราวนึงแกก็ไปไปถ่ายทําสารคดีเรื่องหนึ่งในต่างจังหวัด ระหว่างที่นั่งพักอยู่เนี่ยก็มีผู้หญิงมีคุณป้าคนนึงเดินผ่านมาถือปลาพวิใหญ่เล ย, เลยนะมาถึงก็เจอกองถ่ายทําก็ทักทายกันเพราะรู้จักกันแล้วก็ถามว่าเนี่ยไอปลาพวงเนี่ยทำไมจะกินได้นานปลาภูงิำไมกินได้นานเนี่ยปลาช่อนปลานินอะไรเนี่ย <c oughs> ก็ต่างคนต่างก็ออกความเห็นกันใหญ่นะบางคนบอกว่าเอาไปหมักเอาไปทำส้ม เอาไปตากแดดเอาไปใส่ตู้เย็นนะคุณป้าบอกว่าไม่ถูกเลยถ้าจะกินให้นนให้ได้นานต้องไปแบ่งให้เพื่อนบ้านให้ทั่วถึงใช่ไหมถ้าไปแบ่งให้เพื่อนบ้านเนี่ยปาก็หมดเลยยิ่งหมดเร็วเข้าไปใหญ่เลยนะแล้วจะกินได้นานได้ยังไงรู้ไหมทำไม่กินได้นานฮะ ฮะเออเพื่อนบ้านเขามีปลาเขาก็าาแบ่งมาให้ใช่ไหมงั้นกินได้ตลอดปีนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าความสัมพันธ์ที่ความสามันธที่เกื้อกูลนั้นเนี่ยที่น่นนแานเนี่ยนะมันก็ทาให้เกิดความมั่นคงในชีวิตแบบหนึ่งมันไม่ใช่แค่เกิดความสุขใจเท่านั้นแต่ว่าแม้กระทั่งเรื่องข้าวปลาอาหารเนี่ยก็ก็พอย มันคงไปด้วยต่ครนี้ความสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้ไรนะเกิดขึ้นได้จากการแบ่งปันการช่วยเหลือนะซึ่งทางพุทธศาสนาะใช้คําว่าทานถ้าถ้าช่วยเหลือด้วยด้วยวัตถุเรียกว่าทานถ้าช่วยเหลือด้วยด้วยด้วยมือด้วยไม้ด้วยกําลังด้วยเรี้ยวแรงเรียกว่าอัตติริยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องการ เวลาพึงความสุขนะความสุขของชีวิตเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะนอกจากการทำสมาธิภาวนาแล้วเนี่ยนะการที่มีนำ้ำใจเมตตากับผู้อื่นคนรอบข้างหรือว่าคนที่อยู่ไกลออกไปนะมันไม่ใช่ดีข้องเดียวนะมันดีกับเราด้วยมันมันทำให้สุขใจ สุขกายนะแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นด้วยนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกะอายุหกสิบกว่าอันนี้ที่เมือง น, นอกนะแกหลังจากที่แกอยากกับภรรยาได้ไม่นานเนะี่ยก็เพราะตัวเป็นโรคหัวใจแล้วก็ตกใจมากนะ แกก็พยายามปรับปรุงวิถีชีวิตแกออกกำลังกายให้มากขึ้นกินอาหารที่มีเนื้อให้น้อยลงก็ทาอยู่นานนะปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าโลกของแกเนี่ยมันอาการแกกระตือขึ้นเร็มเมากแกก็แปลกใจทำไมแกก็พยายามออกกำลังกายพยายามควบคุมเรื่องอาหารนะวันหนึ่งแกก็ไปเซิร์ช ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย e เนี่ยแล้วก็ไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งที่เขาบอกว่าคนที่เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างเนี่ยคนที่อยู่โดดเดี่ยวเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจเนี่ยสีเท่าของคนที่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อกลุกันแกอ่านดูแกก็รู้สึกโดนใจมากเพราะว่ามันคล้ายกับกรรเนองแกก็คือแกเนี่ยไม่ค่อยได้สูงสิทธ์กัง ใ, ใคร ยิ่งยากกับภรรยาแล้วเนี่ยนะยิ่งอยู่คนเดียวนะแกก็ยิ่งไม่ไม่ค่อยได้ติดต่อสัมพันธ์ใครเท่าไหร่แกทํางานเสร็จแกก็แกก็มามาอยู่คนเดียวที่บ้านนะด้วยความกลัวตายนะแกก็เลยเริ่มที่จะออกไปเจอผู้คนนะออกไปเป็นสมาชิกสมาคมโ น, โ, น โ, นโน่นโน่นโน่นนี่ไปเป็นจิตอาสานะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็มาเนี่ยอย่างมาอย่างเนี้ย แต่ก่อนไม่มาเก็บเก็บตัวมีกิจกรรมนี่ามาบางคนบอกว่าเอ้ ย, ยอาการแกอาการแกดีขึ้นเลยนะโรคหัวใจแกทุเลาลงแล้วบอกว่าโรคหัวใจไม่แคทุเลาลงนะจะพวกแกมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าการที่เราไปเจอผู้คนเนี่ยมันทําให้มันเหมือนว่าพบกับความ ความความสุขในจิตใจแกถึงก็บอกว่าเนี่ยโรคหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสุดอย่างหนึ่งของแกนะที่เกิดบแกเพราะมันทําให้มันมันช่วยเปิดใจแกให้มาพบปะผู้คนมันเปลี่ยนชีวิตแกเลยเนะแกบอกขอบคุณโรคหัวใจนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าไอไอการที่คนเราเนี่ยออกไปพบปะสัมผัสผู้คนนะไม่ใช่แค่เที่ยวสังสรรค์นนะแต่ว่า ไปมีความสัมพันธ์ไมีความหมายนะช่วยเหลือเกื้อกูลเงี้ยมันมันมีผลดีนะต่อสุขภาพของเราด้วยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะแล้วมันทําให้เราได้พบกับความสุขลึกๆนะซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานสําหรับการที่เราไปทําสมาธิภาวนาด้วยก็อยากจะฝากาไว้ตรงนี้นะว่าว่าพวกเราเนี่ยเออเอออยู่มาอยู่กันต่าง ต่างเรียกว่าจากบ้านเกิดเมืองนอนมามาอยู่ต่างแดนเนี่ยยิ่งมีความจำเป็นมากนะในการที่เราจะพยายามที่จะสร้างสัมพันธ์ในลักษณะของชุมชนคนไทยนะดีแล้วที่เราไปมีความมีมีชุมชนกับชาวต่างชาตินะก็ ก, ก็ดีนะแต่ว่าคนไทยเนี่ยเราก็ถ้าเรามีด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีข้าไปใหญ่นะ <c oughs> และไม่ใช่แค่ ไม่ใช่แค่สมด้วยกันแต่ว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยนะการช่วยเหลือเกื้อกูลในหมู่คนไทยเนี่ยนะมันมันเป็นประโยชน์ทั้งเขาแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งกับเรานะมันช่วยทำให้เราเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะแล้วก็ขณะเดียวกันนะก็ทาให้เรามีความสุขนะเพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ชี้รองเราต้องการ แล้วถ้าเราขยายความสว่างเราออกไปสู่คนเพื้นบ้านนะพื้นบ้านแล้วก็คนในชุมชนจะเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนหรือว่าที่เขาเป็นอย่างฝรั่งก็ตามเนี่ยนะขยาคยความสว่างไปเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็อย่าลืม น, นะในสุดต้องกลับมาที่ตัวเราเองกลับมาพบกับกลับมาสร้างความความสงบภายใน นะด้วยใจที่ตื่นรู้ด้วยใจที่เบิกบานด้วยใจที่มีสติมีปัญญานะไม่ทำให้เรามีความสงบอย่างแท้จริงเพราะว่าเราอย่าเพิ่งอย่าประมาเออทุกวันนี้ฉันก็มีความสึกดีดอยู่แล้วนะเพราะว่าออสิ่งวงรรล์อะไรต่างก็ดีเป็นหมดเลยนะแต่เราก็อย่าลืมว่าสิ่งวรรอมที่ดีๆมันก็ไม่เที่ยงนะ บางทีอยู่ใ น, ในส่วนนี้มีเสียงดังใช่ไหมเมื่อกี้ก็มีเสียงดังบางทีเรากลับไปบ้านกลับไปเมืองไทยโหเจอความวุ่นวายไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเมืองไทยกลับมาดีกว่ามันก็ทําให้เราทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะมีความสุขที่ที่ยั่งยืนได้หลายคนนะดีความสงบไอ้ดีความวุ่นวายอยุกข์จอ่วจนในเมืองนะหรือที่บ้านเนี่ยมาวัด น, นะ วัดตมาเปวัดป่านะก็สงบนะแต่วันดีคืนดีก็มีเสียงดังมีงานศพนะชาวบ้านเนี่เวลาทางานศพนะอีสานนี่นะโอ้ดังเปิดดูชายนางกลางแปลงหมอลำเอ๋ยลำซิ่งทั้งคืนนะนะจริงจทั้งวันด้วยนะเปิดเพลงนั่นแหละก็หึมเลยนะเปมืนก็ว่ายิ่งดังยิ่งได้บุญเยอะนะ <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพื <c oughs> เแผ่เพิ่นบ้านไงเื่อแผ่เออ กลางวันก็ดังกลางคืนก็มีเพลงมีมหาศพนะ <c oughs> หลายคนที่อุตส่าห์หนีความวุ่นวายมาวัด น, นะอุ่นหขึ้นมาเลยนะ <c oughs> ความสงบสิ่งแลรอบๆนี่ก็ไม่เที่ยงนะเพรนั้นเนี่ยเราอย่าไปพึ่งพามันมากเราต้องรู้จักพบความสงบหรือหาความสงบในใจ <c oughs> นะเริ่มต้นด้วยา ก, การช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นแล้วกลับมาดูแลจิตใจของเรามี คำผู้ขอเจ้าพุทธะ น, นะที่พูดสรุปถึงเรื่องของชีวิตที่ดีได้กระชับมากถ้าบอกชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคนเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยมันต้องได้หรือทําทั้งสองอย่างเนี้เกิดมาแล้วชีวิตไม่พบความสงบเย็นก็ไม่ได้แต่สงบเย็นแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็มันก็ไม่มีคุณค่านะนั่น ถ้สรุปที่ยธรมาพูดวันนี้เนี่ยก็คือก็คือวันนี้ให้เราได้ได้นำพาชีวิตของเราให้ได้พวกความสงบเจ็นแล้วก็เป็นประโยชน์ในเวลาเดียวกันด้วยเป็นเประโยชนที่นี้ก็หมายถึงความเอื้อเฟื้อเอื้อคุณกันในหมู่คนไทยแล้วก็คนที่เดือดร้อนคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะอัตมาก็เอาเกินน้ำเท่นี้นะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการพูดคุยกันสนทนาหรือซักถามก็ได้ มีใครสงสัยไหมหรือว่าจะสักถามเรื่องไหนก็ได้ไม่เป็นต้องเรื่องที่สอนพูดมาเมื่อสักครู่ก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์พูดเรื่อความสุขอันแรกใช่ไหคะสมมติว่าเรากําลังทานอาหารอาหารอร่อยอร่อยสมมติว่าเรากําลังเดินช้อปปิ้งอยู่อย่างเนี้ยเรามีวิธีแก้ปัญหายังไงคะกับตัวเราเองปัญหาปัญหาเกิดยังไงจากการเสพจากการกินจากการช้อปปิ้งค่ะ อ๋อคือคนคนที่ที่ผูกพันกับความสุขเพนี้หรือว่าหรือถึงขั้นติดนี่ย น, นะมักจะเป็นเพราะว่าเขาไม่พบความสุขที่ดีกว่าใช่ไหมคนเราเนี่ยมันทุกคนจะ ต, ต้องการความสุขนะแม้กระทั่งพระเนี่ยก็ต้องการความสุขใช่ไหมความสุขเนี่ยคือเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต แต่พระเนี่ยพระนี่ก็มีข้อบังคับใช่ไหมว่ า, าจะไปเที่ยวจะไปเสพอะไรไม่ได้แล้วพระอยู่ยังไงสิ่งที่จะอยู่ได้คือการที่ได้พบความสุขที่เป็นดีกว่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหลักที่เอามาใช้คารวะได้คนเวลาติด ก, กับอะไรสักอย่างเนี่ยนะแม้กระทั่งเด็กเนี่ยติดเกมเนี่ยนะจะทําให้เขาเลิกได้ยังไงก็ต้องให้เขามีความสุขเจอความสุขที่ดีกว่า ใช่เช่นเราพบว่าครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยนะครอบครัวที่อบอุ่นนะพ่อแม่พูดคุยกันพ่อแม่ลูกพูดคุยกันมีเวลาคุยกันเนี่ยการที่เด็กจะไปติดเกมเนี่ยมันก็น้อยลงหรือพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยเด็กจะไปติดยาก็น้อยลงใช่ไหมเพราะพวกนี้เนี่ยพวกนี้เขาขายความสุขเนี่ยเขาก็เลยไปหาความสุขที่มันหาง่ายจับต้องได้ง่ายใช่ไหม <c oughs> วัยรุ่นเนี่ยไม่มีความสุขในบ้านใช่ไหมหรือความสุขในครอบหรือถ้าโตขึ้นไม่ความสุครอบครัวก็ไปหาเล่าไปหาไปหาย า, จาใจคขเลิกพวกนี้นะมันใช้ยาอย่างนี้ไม่พอนะไปหนึ่งกินยาบําบัดอย่างนี้ไม่พมันต้องให้เขาได้เจอความสุขเช่นเขาได้มีครอบครัวได้มีชุมชนที่อบอุ่นต้อนรับเขาใช่ไหมคนเราต้องการหาความสุขนะถ้าสุขทางดีไม่ได้ก็สุขทางไม่ดีนะ แล้วความสุขมีมหลายประเภทความสุขจากการยอมรับก็ได้มันก่อนฟังคุณนาเล่านมีรารุ่นคนหนึ่งแกเป็นผู้ต้องหาไอ้นักโทษดีเด่นเลยนักโทษเนะยาวชนดีเด่นเ น, น, น, ดเดนเนพราะแกเป็นคนที่เชื่อฟังเชื่อฟังฝึกตนฝึกตนวยช่วยเหลือช่วยพู้นำในในใน ใ, ใ, ใ, ใ, ในคุกะนะมันไม่เรียกุกเรียก ว, ว่าอนะไร สถานบำบัด น, นะเป็นประพฤติตัวดีประพฤติตัวดีนะ <c oughs> แล้วก็เสียสละผู้อุ่นแต่พอกลับบ้านนะพอกลับ อ, ออกมาเนี่ยมาที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ยังระแวง <c oughs> เนระแวงว่าเนี่ยไอนเนี่ยไอนเนี่ยเป็นคนไม่ดีทำให้เสียชื่อเสียงของตระกูล <c oughs> ระแวงเวลาเวลา <c oughs> วางของเอาไว้ก็กลัวว่าเนี่ย น, นี่จะมาขโมยนะ พ่แม่บอกว่าแกสุดเนี่ยแกกลับไปใหม่กลับไปกลับกับเข้าคุกใหม่เพราะอะไรฮะเพราะว่าไปเข้าไปในคุกเนี่ยได้รับการยอมรับเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้รับการยอมรับอยู่บ้านเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นคนที่ถูกเกียดชังใช่ไหมอยู่บ้านเนี่ยถูกเกียดชังแล้วอยู่ทําไมเข้าคุกดีกว่าเข้าคุกเนี่ยได้รับการยอมรับเป็นนักโทษดีเด่นนะฮะเห็นไหมคือคนเราเนี่ยถ้ามันถ้ามันถ้าอ ความสุขที่บ้านไม่ได้ก็ต้องไปหาความสุขที่อื่นแม้กระทั่งหาความสุขในคุกเพราะได้รัการยอมรับการยอมแล้วก็ทําให้มีความสุขแบบหนึง่งใช่ไหมฮะนั้นแต่มาคิดว่าสมมุติว่าเนี่ยเราติดเรื่องช้อปปิ้งเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราลองเจอความสุขอีกประเภทหนึ่งที่มาแทนที่เช่นความสุขจากการที่ได้มีมิตรภาพได้ชื่อเหลือเกลือกูนคันนะมีมีวัยรุ่นคนหนึ่งนะแก แกมคนใช้จ่ายเงินเยอะซึ่งเปลืองมากเลยนะแล้วก็หาเงินเองไม่ได้นะแบมือขอพ่อนะแกวิวาิบหกสเแเนี่ยแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนชวนไปเข้าค่ายค่ายนี้ชื่อว่าสุขชายด้วยปัญญานะกิจกรรมหนึ่งของค่ายคือให้ไปทำจิตอาสาไปดูแลคนคนชรา แช่หไหมแกไปเห็นคนชราที่บ้านพักคนชราเนี่ยเห็นแล้วก็สะท้อนใจเพราะว่า โ, โหยากอยู่ลําบากมากนึกถึงตัวว่าต่อไปต่อไปเทอตัวเองเนี่ยเป็นแก่แบบนั้นเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วก็นึกถึงพ่อขึ้นมา โ, โหว่าเนี่ยเราเรานี่นะไม่ได้ดูแลพ่อเลยเลยนะเราเอาแต่ของเงินข อ, งองเงินต่อไปเราแก่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแกก็เริ่มแล้เริ่มที่จะได้คิด แล้วตอนหลังเนี่ยแกก็ไปจิตไปทํากิจกรรมหาเงินช่วยช่วยบรรพชลาเอาของไปขายทั้งวันจะขายได้พันสองแกขนเหนือแทบตายได้พันสองแกบอกเนี่ยแกเลยรู้สึกโอ้โหพันสองเนี่ยมันไม่เท่ากางเกงยีนที่เราซื้อที่เราของเงินพ่อซื้อมาของเงินซื้อพ่อซื้อมาสามพันประเดี๋ยวเดียงได้มานละสามพันแต่นี่หาเงินแทบตายได้พันสอง เริ่มเห็นคุณค่าของเงินใช่ไหมแกก็เริ่มเพียนเปลี่ยนเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนแปลงแกเริ่มไปทําจิตอาสามากขึ้นในขณะเดียวกันจิตพฤติกรรมแกก็เปลี่ยนนะการบริโภคแกก็น้อยลงประการที่หนึ่งแกมีความสุขการมีจิตอาสาใช่ไหมรู้สึกที่มีคุณค่าแต่ก่อนเป็นเด็กวัยรุ่นที่ล่องลอยไปตามกระแสกระแสนี้ล่องลอยไปตามค่านิยมของสังคมใ ค, ใครเขาใครเขามีแกก็อยากจะมีบ้าง เงเก่งยีเนี่ยแกสามพันเนี่ยแกก็ซื้อมาโดยที่ไม่คิดเลยเพียงเพราะซื้อว่ามันสายรถเท่แต่พอรู้ว่าแกได้ไปช่วยเหลือคุณแกเนี่ยนะแกรู้สึกว่าแกมีความสุขช่วยแกมีคุณค่าแกเริ่มมีคุณค่าของเงินด้วยจากเดิมที่เคยใช้จ่ายเดือนละสา0หมื่นแกเหลือแค่เดือนละหกพันใช่ไหมพ่อแม่ก็แปลกใจให้ลูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะว่า เขาพบความสุขแบบใหม่ความสุขที่เกิดจากการที่ไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนและการสุขจากการที่ทําตัวให้มีคุณค่าไอ้เรื่องความสุขจากการเสพจากการชอปปิ้งเนี่ยก็น้อยลง<ม>ใช่ไหมงั้นถ้าต่อแบบต่อแบบแบบแบบแบบที่จะฟันธงคือว่าต้องให้ใหเขาเจอต้องเจอความสุขประเภทที่มันดีกว่าไอ้ความสุขที่หยาบก็จะน้อยก็จะน้อยก็จะเลิกเองก็เหมือนกับเราเคยกินไอติม ไอติมบอลใช่ไหม ไ, ไอไอติมไอมไอติมไอติมไอติมีเออเนี่ยอร่อยเลยใช่ไหมออพอเจอสเวนเซ้ น, นดักกินท้าที่เลิกเลย <laughs> ไม่แลใช่หล้นเปนนี่ไงเหมือนกันแหละจากสตรอบเบอรี่แนดจากข้ า, ขาวเหนียวกะจิไม่เอายังเออแต่ก่อนแต่ก่อนเด็กๆกินอะไรเป็น ทว่าไอที่กลมๆไอจิมตัดแล้วกันอจ้มตัดเลยจะให้เกนดฮะไอจิ้มโบราณจะให้เกินดจ้ลืมเลยงเนี้ยพวกติดยาพวกอะไรก็เหมือนกันนะให้เขาเจอความสุขที่ปนนิดนะเขาเลิกนะแต่ปัญหาคือความสุขที่มันปนนดเนี้ยบางทีมันต้องอาศัยคนร่วมมือคนช่วยคนดูแลซึ่ง ไม่มีคนีนี้คนไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันอเ อ, นอ่แต่นาว่าเวลาที่เราย้ายเขามีเพื่อนที่ดีค่ะแล้วเราก็ไปไปบอกว่าเพื่อนเขาไม่ดีโดยที่เราไม่สามารถพาเขาไปสู่ความสุขที่ดีกว่าโดยโดยการที่ตําหนิว่าตรงที่เขามีมันไม่ดีเนี่ย <c oughs> เขาก็จะยิ่งถึงทางตันแล้วเขาก็ยิ่งติดหนึบกับสิ่งที่เขามีอยู่แน่นมากขึ้น มีมีเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปูดนะงป่ดู่นะหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูพรหมปัญโยนะวัดสแกวิทยาท่านมรณภาพไปหลายปีแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีชายหนุ่มสองคนมาคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นคนที่ศรัทธานในหลวงปูด่ดูส่วนอีกพาเพื่อนมาเพื่อนเนี่ยไม่สนใจธรรมะอะไรเลยนะ ไอ้เพื่อนที่พามาเนี่ยก็บอกว่าบอกบอกบอกเพื่อนอีกคนหนึ่งว่านี่มาหาหลวงปู่ดูแล้วนี่ก็ น, กนกะก็ตั้งใจรับศินซะแล้วก็มาทําสมาธินะกับหลวงปูดด่ดูชายคนนั้นเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าสีนนี่รับไม่ได้หรอกเพราะว่ายังเลิกเล่าไม่ได้ ใช่ไหแล้วเมื่อเลิกเล่าไม่ได้ก็เป็นที่นั่งสมาธิก็ทําไม่ได้หลวงปู่ก็บอกว่าเนี่ยแกจะกินเล่าก็ปเป็นเรื่องของแกแต่ว่าทําสมาธิให้ให้ได้ไหมหหวัละห้านาทีห้า น, นาทีท่านหลวงปออวู่เอเอห้านาทีอ้าวไอ้หนุคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทําอะไรหรือละบปากใครก็ ก็ทําตามนั้นทุกวันจะก็ไปนั่งสมาธินั่งสมาธิเสร็จเพื่อมาชวนกินเหล้าก็ไปใช่นั่งสมาธิวันวันลงขึ้นนั่งสมาธิใหม่พาตั่งเสร็จเพื่อมาชวนกินเหล้าก็ไปแต่ทาําไปงี้อยู่สักพักหนึ่งเนี่ยกาลังนั่งสมาธิอยู่เพื่อมาชวนกินเหล้าบอกยังไม่ไปยังนั่งสมาธิไม่เสร็จใช่ไหมไปประมาเนี่ยแกเลิกกินเหล้าเลยนะเพราะว่านั่งสมาธิเนี่ย <spe as> <spe as> ตอนหลังก็ไปบวช ทำไมแกเลิกกินเหล้าเพราะว่าได้เจอความสุขจากสมาธิใช่ไหมความสุขจากสมาธิมันทดแทนความสุขจากการจากเหล้าหรือว่าจากการสังสรรค์เพื่อนนั้นจะจะบอกจะจะใช้วิธีบังคับเนี่ยบอกอยากินเหล้าอยากกินเห ล, ล้าเนี่ยวิธีไม่ได้นะพระเนี่ยนะถ้าจะให้พระเนี่ยจะไม่ไปยุ่งเรื่องพวกพวกทางโลกนี่นะ มันก็ต้องมีเรื่องสมาธิเข้ามาหล่อเลี้ยงถ้าพระถ้าม่มพระถ้าไม่มีองเนี้ก็อาจจะไปเป็นเป็นเหมือนโยมก็ได้หรือไม่ก็ไปเอาดีหรือไม่ก็ไปแข่งกันเรื่องยศยศถาบรรดาศักดิ์ใช่ไห ม, มเพราะว่าพระเนี่ยถ้าไปไปมีความสุขทางกามไม่ได้นะก็ไปเอาความสุขทางเกียรตนะิมันมีกินกามเกียรติใช่ไหมกินกามเนี่ยมีข้อ บ, งบังคับเรื่องของพระเอาไว้นะกินข้าวเย็นก็ไม่ได้ อยากกินอะไรก็ไปบอกไปบอกโยมก็ไม่ได้แล้วแต่โยมก็จะถวายกามก็เหมือนกันนะผ้าเนี่ยนะกินกามเนี่ยถูกถูกถูกเงื่อนไข่ไบังคับก็ไปเอาดีทางเกียรติก็คือเรื่องโยธาบรรดาศัก์มันมันเรียก ช, ชดทดเทิดใช่ั้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีความสุขทางมีความสุขทางจิตใจนะสั่งสมาธินะไอ้กินกามเกียรติก็จะน้อยลงแล้วก็เลิกได้ใช่ไห นั้นสำคัญมากเลยนะความสุขเนี่ยนะคนเราเนี่ยมันอีกมันต้องการความสุขเหมือนกับเราร่างกายเราต้องการอาหารใช่ไฮะ<ม>เราควรจะกินอาหารที่ดีไม่ใช่กินอาหารที่อร่อยแต่ปากอร่อยรสอร่อยมีรสชาติอร่อยแต่สุขภาพแย่ใช่<ม>จิตใจเราต้องการความสุขแล้วจิตใจเราควรจะได้รับความสุขที่มันประณีตนะไม่อยาก อ, อ, อย่าไปเสพแต่ความสุขที่อยาบๆ <c oughs> เพราะว่า มันจะไม่มันจะไม่รู้สึกพอสักทีนะถ้าไปติดถ้าไปมีความสุขจากถ้ามีความสุขจากแก้ไว้เงินทองนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมมีเงินเป็นร้อยล้านก็ไม่พอมีเงินพันล้านก็ไม่มีก็ยังไม่รู้สึกพอนะเพราะว่า ความสุขจากวัตถุเนี่ยความสุขจากสิ่งเสพเนี่ยมันมันน่ายเร็วใช่ตอนได้ร้อยล้านแรกก็ดีใจมีความสุขนะแต่ต่อไปก็เบื่อแล้วต้องการร0 0ยร้อยที่สองได้ร้อยที่2ก็ก็ดีใจมีความสุขสัอคพักก็ต้องการร้อยที่สามต่อมาก็ต้องการพันใช่ไฮะนั่นแตมาเคยเคย เคยแปลกใจทํำไมคนมีเงินหมื่นล้านแต่เขาไม่ไม่ยอมเลิกหาสักทีทั้งที่ไอเงินหมื่นล้านเนี่ยเออกินทั้งชาติก็ไปหมดใช่ไหมใช่ไหมแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินหมื่นล้านก็ตามนะเข้าใจเข้าใจจริงเนี่ยเข้าใจเพีว่าคนเราไม่มีความสุขจากการมีแต่ความสุขจากการได้คุณมีนะมีร้อยล้านแต่ถ้าคุณไม่ได้มาใหม่เลยเนี่ย คุณไ ม, ม่ความสุเมื่อคุณมีแผ่นซีดีร้อยแผ่นหรือแผ่นๆเนี่ยคนมีมีคนคนที่มีซีดีร้อยแผ่นหรือพันแผ่นนี่นะ <Yeah. S 1> เขาอยากได้แผ่นใหม่ไหมอยากเพื่อตะมาเนี่ยโหมีมีเป็นร้อยเป็นพันยังอยากได้อีกใช่ไหมเหมือนกับคนที่มีรองเท้า300คู่เนี่ยอยากได้คู่ที่3 0มรนะ ได้ใช่ไหมได้ถูกใจในหัวล้อใจเพราะอะไรเพราะว่ากะเือนกระเทือความสุขเกิดจากการได้ไ mm ม่เกิดจากความมีอคุณมีอสักพักคุณก็เบื่อคุณต้องถึงอยากได้ของใหม่ๆอย่าวว่าแต่เดี๋ยวว่าแต่คนเลยนะอตมาโดยมีธบานะมีหมาวิ่งตามนะอตมาก็โยนโยนข้าวเหนียวให้นะมีขาเนึื้อโยนให้โยนให้นะมันก็งับมันไม่ทันจะงับเขาไม่ทันจะกินเลยนะอตมาโยนไปก้อนที่สอง มันขายก้อนแรกมันไปเอาก้อนที่สองทั้งที่ก้อ น, นทั้งสองก้อนนี่เท่ากันเลยมันค่าาวอะอะหนูนึกว่าจะเปรียบกับใบอ่ะเปรียบคุณค่างั้นปะคือมันอยากได้ของใหม่มันอยากได้ข้าวเหนียวก้อนใหม่อมไอสิ่งที่อยู่ในอยู่ป่ามันเนี่ยไม่มีคุณค่าอะไรที่เราอะไรที่เรามีแล้วเนี่ยจะไม่มีคุณค่าอะไรที่เราไม่มีเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าใช่ไหม <c oughs> อะไรที่อยู่ในป่าเราเนี่ย ไม่มีคุณค่าเหมือนกับจำได้ไหมไอ้ไอ้ดิธาเรื่องหมาข้ามเนื้อใช่ไหมหมามันข้ามเนื้อมัใช่ไหมเนื้อก้อนใหญ่นะมันเดินข้ามสะพานมันมองไปข้างล่างเห็นเห็นเงาตัวมันเองมันนึกว่าเป็นหมาตัวอื่นใช่ไหมมันจะได้มันจะได้อ่ามันก็คายเพื่อจะเอาอ่าสิ่งที่เรามีนะมีเสน่ห์น้อยกว่าสิ่งที่เราจะไม่มีใช่ไหมฮะสิ่งที่สิ่งที่เรามีแล้วเนี่ยจะมีเสน่ห์น้อยกว่าสิ่งที่เรายังไม่มีหรือสิ่งที่เรายังไม่ได้มา แลนี่คือทำให้พวกเราไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีเราอยากจะได้ของใหม่อยู่เรื่อยๆนี่คือคำตอบทำไมได้หมื่นล้านก็ยังอยากได้อีกใช่ไหมดีจังเลยมีคำอบให้คนดูเขาชอบถามจิ๋วว่าทาไมถึงทำงานเยอะจังเอตอตอบวนะ่างั้นก็ท่านดับแล้ว <laughs> ท่านตอบให้แล้วค่ะคุ ตอนี่ถ้าเรารู้นั้นธรรมชาติของคนเราเนี่ยนะหาความสุขจากการได้มากกว่าความมีเนี่ยแล้วถ้าเราต้องการได้เรื่อยไปเราไม่เราไม่เราไม่จบมันเหนื่อยเราต้องหันกลับมามีความพอใจกับสิ่งที่เรามีให้มากขึ้นพอใจสิ่งที่เรามีให้มากขึ้นนะแล้วเราจะดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่างๆน้อยลงแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยดิ้นรนแสวงหาสิ่งต่างๆให้น้อยลงนะหมายถึงที่เป็นวัตถุนะ ก็คือเราพบความสุขทางใจพอรู้ว่าความสุขทางใจแล้วเนี่ยนะไอ้สิ่ ง, งสิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งเเสพเนี่ยมันก็จะมีเสน่ห์ต่อเราน้อยลงเพราะว่ามันอย่างที่อย่างที่บอกพอกินฮักินดัสแล้วงอื่นก็ก็ไม่สนแล้วปรารแต่ฮักินได้คือว่าพอกินไปนานๆอยากได้อยากได้ไดที่ที่ดีกว่านั้นที่ดีกว่าฮักกินดัสหรือเซเวนเซนนะฮะก็ไปเรื่อยๆนะ เ ป, เป็นคำเป็นคาเปรียบเปียที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเอามาเทียบกับความสุขทางใจไม่ได้เอาเชิญน ะ, ค, ค, นน ค, ะคือหลังจากนั่งสมาธิมาสักพักหนึ่งจะเริ่มเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีอารมณ์สนธจิตเกิดขึ้นหเห็นในทุกขณะที่มันเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่ากำลังใจว่าไม่ชอบเกลียดมันทำไมมันต้องมี ตัวนี้เกิดขึ้นอีกเกิดอีกแล้วละไรเียเ <c oughs> มืนเตัวเองขาดกำลังใจที่จะรู้ยทำไมมันไม่หายไปทัที <c oughs> ยังขับนังนเห็นทุกครั้งที่มันยังรู้สึกแย่รู้สึกอะไรเงี้ยหมไม่มีกำลังใจบางทีจะไปต่ อ, อยังไงพ <c oughs> ี่นั่งสมาธิโอ้กิเลสมาอีกแล้วลนะอะไรเงี้ยคุณควรจะมองว่ากิเลสนั้นไม่ใช่คุณนะ มันแค่สิ่งที่มีในใจคุณถ้าคุณไปยึดคุณไปยึดมั่นถึงมันว่านั่นคือคุณนะคุณจะทุกทก็มันก็ที่มาตะมาเมื่อตอนเช้าแบคุณคุณหมาปะที่เด็กที่ผู้หญิงมาถามหลวงพ่อ อ, เนเน อ, เอาาัเคาเ่ า, าค ว, ว่าหนูเห็นความเครียดมากหลือเกินเนี่ยหลวงพ่อให้ให้ถามใหม่ไอ้แจ๊กถามว่าหนูเครียดมากหลือเกินทํำยังไงดีหลวงพ่อหลวงพ่อให้ถามใหม่ก็วันแจ๊กก็บอกหนูเห็นความเครียดมากเหลือเกิน หนูเครียดกันหนูเห็นความเครียดนี่ต่างกันไหมใช่ไหมหนูเครียดคือความเครียดคือหนูความเครียดคือตัวหนูความเครียดเป็นของหนูแต่หนูเห็นความเครียดในความเครียดกับหนูนี่คนละอันเวลาคุณเห็นอากุศลจิตเนี่ยนะอย่าไปคิดว่านั่นคือคุณอากุศลจิตน่นไม่ใช่คุณมันคือสิ่งที่มีอยู่ในใจคุณต้องแยกกันนะถ้าคุณไปคิดว่านี่ยเวลาคุณเห็นอกุศลจิตขึ้นมาว่าจะเป็นความโกรธความอิจฉาเนี่ย คุณไปคิดว่านี่คือคุณนะอันเนี้ยเรียกว่าหลงแล้วคุณต้องมองว่ามันเป็นอีกสิ่งที่ไม่ใช่คุณมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจและมันก็หายไปมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปนะอย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดว่าคุณเป็นคนไม่ดีให้คุณเห็นว่าเออให้คุณเพียงแต่รู้สึกว่าเห็นความไม่ดีเกิดขึ้นในใจนะ อย่าไปเชื่อคุณไม่คุณเป็นคนไม่ดีนะคุณเพียงแค่เห็นความไม่ดีเกิดขึ้นในใจซึ่งมันก็เป็นธรรมดาต้องแยกนะระหว่างอย่าไปยึดรว่าจะไปยึดเอาเป็นเราเป็นของเราอันนี้แหละที่เขาบอกว่าเห็นเห็นจิตในจิตเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่เห็นจิตว่าเป็นเราเมื่อตอนเช้ามีคนถามเห็นจิตในจิตเห็นกายในกายเออนั่นแหละใช่ไหม เนี่ยคืออย่างเงี้ยคือเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่เห็นจิตว่าเป็นเราเนี่ยคือความหมายนี้นะแล้วคุณต้องต้องหมั่นสังเกตนะไม่ใช่เฉพาะกุกศลจิตนะกุศลจิตก็เหมือนกันพยายามเห็นมันว่ามันไม่ใช่เราตรงเนี้ต้องใช้สติแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้สอนเด็กได้นะหลวงอาจารย์ประสงค์ปริพุนโนท่านเคยลาใฟังว่าเคยสนทนากับเด็กคนหนึ่งนะเด็กผู้หญิงเจ็แปดขวบ เด็กคนนี้ฉลาดนะเลือกธรรมะก็แกก็ฉลาดสนใจคุยจบอาจารย์ประสงค์วันเนี่ยหนูเป็นเด็กดีเด็กฉลาดนะหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูก็หยิบเอารูปประคำขึ้นมาจากย่ามเด็กพอเห็นเด็กก็ร้อง o อู้ฮูอาจารย์ประสงค์ก็ถามว่าหนูร้องอู้ฮูเนี่ยหนูเห็นอะไรเด็กตอบว่าไงฮะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจคะ่ะ เด็กไม่ไดตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจนะอ้าวถามต่อแล้วหนูทําอะไรกับมันหนูไม่ได้ทำอะไรกับมันแคหนูแค่ดูมันเฉยๆค่ะตอนนี้ข้างในมันสงบลงแล้วความดีใจมันลดลงแล้วนะเวลาคุณเห็นอกุศลจิตเนี่ยคุณก็ทําอะไรเหมือนกันคุณไม่ต้องทําอะไรกับมันอ่ะประการแรกคุณต้องเห็นก่อนเห็นว่าข้างในมันข้างในมันข้างในมันมีตัวนี้ขึ้นมาอย่าไปคิดว่า มันคือคุณประการที่สองเมื่อเห็นมันแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรกับมันแค่ดูมันเฉยๆมันก็จะลดลงไปใช่ไหมอย่าอย่าไปเอาสิ่งนั้นเป็นของคุณเพราะถ้าคุณเอาไปยึดว่าเป็นคุณแล้วเนี่ยคุณก็จะทออีกดีว่าเอาเชิญ ผิดศูนย์ห้าด้วยที่ไม่ทันใจไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่งในศูนย้าเนี่ยเพราะการทําผิดศูนยห้าเนี่ยก็เหมือ น, นสอนวัสดุกรรมใดที่วัสดุวัสดุกรรมสร้างบ้านที่เมืองฮารอ็อกนะคะแล้วเมื่อเรามีสติเรารู้สึกตัวเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงคะถ้าเราทําผิดข้อใดข้อหนึ่งไปแล้วอาจจะเกิดจากความโลภความโ ม, โมหะโลภะโทสะอ ทำสองอย่างนะซึ่งซึ่งเรียกเป็นการแก้กรรมที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนานะก็คือหนึ่งนะอย่าทำสิ่งนั้นอีกนะสองแล้วก็สองเนี่ยให้ให้วางให้วางสิ่งนั้นลงไปเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วอย่าไปนึกถึงมันซ้ำอีกนะ คือนอกจากไม่ทําแล้วนะไม่ทําสิ่งนั้นแล้วนะอย่าไปนึกถึงสิ่งนั้นซ้ําอีกเพราะการนึกถึงสิ่ ง, งการนึกถึงสิ่งนั้นหรือเหตุการณ์นั้นซ้ําอีกเนี่ย mm hmm. ก็เหมือนกับว่าเราได้ทําไปแล้วแต่ว่าเป็นแค่มนโนกรรม mm hmm. จิตเนี่ยเวลาคิดเนี่ยมันมีผลไม่ตายจากลงมือทำนะ mm hmm. เวลาเวลาเล่นดนตรีเนี่ยนะ mm hmm. เขาพบว่าคนที่ คนที่คิดว่ากําลังเล่นเป็นโนเนี่ยสมองเนี่ยมันจะทํางานแบบเดียวกับกําลังคนที่กําลังเล่นโดเล่นเป็นโนจริงคนคนที่กําลังวิ่งนะถ้าคุณวันไหนวิ่งไม่ไหวไหมั้ยลองจินตนาการว่ากําลังวิ่งดูสมองเนี่ยนะมันจะทํางานเหมือนกับว่าลงมือวิ่งเองแต่ว่ามันทําในระดับที่ที่เอ่อไม่เข้มข้นเท่าเท่ากับเวลาลงไปวิ่งใช่ไหม เวลาเราทําอะไรผิดเนี่ยในอดีตเนี่ยถ้าเรานึกถึงมันอีกถึงนึกถึงมันด้วยความเสียใจนึกถึงความรู้สึกผิดเนี่ยนะมันไม่ตายากั่ว่าเราได้ทําสิ่งนั้นซ้ําอีกแต่เป็นแค่มโนกรรมนะพเพราะฉนั้นอนอกจากไม่ทําสิ่งนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องวางสิ่งนั้นลงใจากใจด้วยไม่เก็บออกมาคิดอีกและสามทำความดีที่ตรงข้ามให้มันมากขึ้นใช่ไหมสมมติเราเคยฆ่าสัตว์เนี่ยนะโอ้เคย เคยยิงลูกตกปลาไงนะเออเราไม่ทํานอีกแล้วและไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยเราก็ไม่เอามาเก็บเอามาทิ่มแทงตัวเองแล้วก็3มเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือสัตว์นะเกื้อกูลให้มากขึ้นทำสิ่งทำความดีที่ตรงข้ามกับกับความไม่ดีเนี่ยอันนี้คือวิธีแก้กรรมในพุทธศาสนานะไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปไ ป, ไ ป, ไปทำพิธีกรรมอะไร แล้ของพวกนี้จะไปคิดว่ามันจะพาไป น, นรกนะนะเพราะว่าเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยผู้เจ้าตัดว่าเนี่ยคนบางคนฆ่าสัตว์เมื่อตายไปแล้วขึ้นสวรรค์ก็มีคนบางคนไม่ผิดศีลเลยแต่พอตายเนี่ยลงนรกก็มี เพราะอะไรผูเจ้าก็อธิบายว่าเพราะเหตุสารประการก็คือกรรมที่ทำเอาไว้ทำเอาไว้ก่อนกรรมที่ทำเอาไว้ก่อนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่า อ, า ด, อาดิตอดีตชาติก็ได้นะยรตอย่างเช่นคนที่ไปฆ่าสันเนี่ยนะตอนที่จะตายเนี่ยอันนี้หนึ่งเขาพยายามทำความดี นะพยายามทำความดีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนที่กขาจะตายเนี่ย <S <S เยขาคิดถึงความดีที่เขาได้ทําเขาก็ไปสวรรค์คนที่ไม่คนที่ไม่ผิดสีเลยเนี่ยแต่เวลาเวลาจะตายเนี่ยอาจจะไปนึกว่าไปดา่าไปไปว่าพ่อว่าแม่หรือว่าไปคิดไม่ดีกับพ่อแม่จิตเป็นอกุศลก็ไปนร ก, กใช่ไหมนางนางมาริกาทีวีเนี่ยไม่ผิดสีลนะไม่สีลพระเจ้าปเสนที่กศลเนี่ย แต่ตอนจะตายเนี่ยไปนึกถึงโมเมนต์หนึ่งที่ไปที่ที่แกผิดศีลเล็กน้อยนค่อนเนี่ยคือไปโกหกพระเจ้าเสริฐโกศนเรื่องที่ทำอะไรไม่ดีกับสุนัขนะแกโกหกแล้วแกก็รอดตัวไปแต่ตอนจะตายเนี่ยแกก็นึกถึงว่าไปโกหกจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นเป็นอกุศล น, นะก็ไปนรกเลยนะเ<ๆ>พราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่เนี่ว่าคุณทำอะไรไว้เนี่ยมันทําให้ดีไว้เนี่ย ไม่ได้แปลตายแล้วจะไปนรกมันขึ้นอยอดหนึ่งนะขึ้นโยกรรมที่กรรมก่อนตายใช่ไห ม, มแล้วก็มมมม2มีสมาธิทีไหมมีสมาธิฐิเนี่ยอย่างพระเจ้าอย่างในพุทธกาลมีมีเจ้าองค์หนึ่งนะเจ้าสกยาเชื่อสรารการนี้เนี่ยแกเป็นคนเมาเหล้าเมายำเปเลยนะแต่ว่าตอนจะตายเนี่ยพระเจ้าไปโปรดนะ ไปแสดงธรรมพอตายเสร็จผู้เจ้าวันเนี่ยเป็นโสดาบันละคนก็บวยวายใหญ่ไอ้นี่มันเมาเล่าเมายาเปนี่โสดาบันได้ยังไง <c oughs> ใช่ไทำไมทำชั่วแล้วผิดศีลทำไมมั น, ม, น, ม, นมันได้ดีนะผู้เจ้าบอกเนี่ยตอนตายเนี่ยมีสมาทิฏิใช่เพราะ น, นันเนี่ยัม้มันมันมีเหตุปัจจัยหลาย อ, อย่างนะไอ้เรื่องเรื่องตายแล้วไปไหนเนี่ย แต่ว่าเราอย่าเราไม่ต้องพูดถึงตอนไหนก็ได้เอาพูดว่าเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยอย่างที่ทําอย่างเทตมาว่าทำสามอย่างนี้แหะมันก็จะช่วยทําให้แก้กรรมได้ข้อถามต่อย อ, ะะะอย่างสี่ห้าข้ อ, ข, อข้อโกหกอย่างเงี้ยค่ะเอ่อเออมันขึ้นอยู่กับเจตนานะะวะคะสีนทุกข้อขึ้นอยู่เจตน า, าเจตนาว่าตั้งใจโกหกไหม แต่ถ้าเกิดตั้งใจโกหกเพื่อื่สิ่งดีอะไรอ่าก็ยังก็ก็ผิดน้อยกว่าผิดน้อยกว่าตั้งใจโกหกเพราะเพราะอยากจะเอาเปรียบเขาใช่ไหมถ้าโกหกรูกเนี่ยนะเออเราก็เราก็อยากจะให้ลูกได้เดียวโกหกไปบางทีมันเล็กน้อยมากนะจริงๆมันก็ธรรมดานะก็ถามมาเป็นอะไรไหมเราไม่สบายแล้วมันไม่เป็นไรใช่ไหมมันก็มันก็จะว่ามันก็โกหกใช่เราไม่สบายแต่เราบอกไม่เป็นไรใช่ไหมแต่เราก็ ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ตั้งใจอะไรใช่ไที่จะเบียดเบียนเขาเขาบอกว่าพยายามจะรักษาสิทธ์ค่ะแต่ว่าเขาโกหกนีนแว่าต้องกินลูจกจะกินลูกอมแต่บอกหมดแล้วแล้วคือมันยังไม่หมดอะ่ <c oughs> แต่ตระมาว่าก็ต้องพยายามพูดความจริงกับเขาใช้เหตุใช้ผลเขาให้ได้เพราะว่าถ้าเราถ้าเขารู้ไม่หมดนะอเขาจะไม่เชื่อเราเออเราต้องพูดความจริ ง, งเขาเลยว่าเรามีเหตุผลอะไร อาจจะใช้เวลาแต่ว่าได้ผลยั่งยืนกว่าโควิดคือที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยมีกฎหมายให้ถ้าคนป่วยทารมานเนี่ยให้ฉีดยาให้ยาให้หลับไปได้ยังคะให้หมอฉีดเอันนี้อนุญาตให้าำอีฮัดยูทาเนเซียมอร์ซิคคิลลิ่ง แม่ต้องการให้หมอเนี่ยช่วยทำให้ตายแต่หมอไม่ช่วยแม่ก็เลยไปขอให้ลูกให้ใส่ ย, ยาพิษให้ให้ตายเร็วๆเพราะมันทรมานในที่สุดลูกก็ช่วยก็ทำให้ไม่ตายผิดมาจกฆ่าไคมคะลูกไม่ได้มีเจตนาค่านอกเจตนาเลย คืออย่างนี้คือใส่ยาใช่ไหมคืย่างนี้มันมันมันมีมันมันมันมีมันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะอาจจะไม่นิดหน่อยแต่มากระหว่างความตั้งใจให้แม่ตายเร็วๆกับความอยากให้แม่เนี่ยลดความทุกทรมานหายทุกข์ทรมานใช่ไหมเวลาคุณเวลาคุณทำเนี่ยสมมุติเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะระหว่างว่าอยากจะให้แม่เนี่ยหมดทุกข์ทรมาน กับอยาให้แม่ตายอยาให้แม่ตายเนี่ยมาถูกฆ่าเลยใช่ไหมแล้ว<ต>อยากให้แม่หมดทุกขารานเป็นไหมคบมันไม่ใช่แต่มันเฉียดแล้วก็มันเฉียดอย่างนี้นะแล้วก็ถึงแม้คุณรู้สึกว่าเอ้ยนะคุณก็ยังมีความลังเลสงสัยเพราะว่าสังคมก็รู้กนนามว่าฆ่าแม่ฆ่าแม่แล้วสักวันหนึ่งคุณก็ต้องสมมติใช้ค่าคุณนะคือว่า ตอนหนึ่งจิตใจก็ทักวั่นวาว้นี่เราฆ่าแม่จริงหรือเปล่าเงี้ยเพียงแค่เนี่ยเกิดความสงสัยแค่นี้นะเออมันก็เกิดามสุขพีใช่ไหมมันก็พอคิดแบบนี้มันเข้ามาตุค่าเลยมันก็เราสู้เราไปฆ่าแม่ใช่ไหมเราก็จิตใจไม่มีความสุขอะใช่ไหมเพราะนี่อย่าทำดีกว่าใช่เอาแล้วถ้าเกิดเราขอให้หมอทำอะค่ะก็เป็นคนขอด้วยะ ไปถึงเราหรือหมอเราผิดไหมเราผิดในข้อหาว่าฆ่าตัวตายใช่ไหมมาตุค่านะคะก็ขอให้หมอช่วยเราขอให้แม่ก็ใช่ไงเนี่ยคุณเจตนาอะไรอ่ะอยากให้แม่ตายหรือยากให้แม่หายทุกข์ทรมานแต่ก็มันก็มีเป็นเขาเรียก็นเกรอร์เรียไอเกรอเรียนี่ใช่ไหมทไอะมันเป็นมันเป็นพื้นที่สีเทาเนี่ยซึ่งคุณก็ลังเลสงส์วันหนึ่งคุอจลังเลสงสัยนะเมื่อคนที่ ถอดถอดท่อเ uh huh. พื่อให้แม่และให้ให้แม่หรือให้แม่เสียชีวิตะ uh huh. นะนะจริงๆถอนเนี่ยนะถ้าจะให้ถ้าจะให้ดีเนี่ยถอนแล้วเนี่ยก็มั่นใจว่าเขาจะยังสามารถจะอยู่ได้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง uh huh. แลวไม่ตายถ้า uh huh. เขาตายก็แปลว่าเขาตายด้วยเหตุ <Okay. S 1> ธรรมชาติด้วยด้วย ด้การธรรมชาติครับเอองั้นเวลาก่อนจะถอนนะก็ให้ให้ลดความให้ลดลดความดันลงหมาลดไปลดลดลดไปดูว่าคนไข้เนี่ยไหวไหมถ้าลดไปแล้วคนไข้ไหวเนี่ยเขาให้ถอดใช่ไหมแต่สมมติถอดแล้วเนี่ยนะคนไข้ตายเลยถึงแม้ว่าจะตั้งใจถอดเพื่อไม่ไม่มีเจตนาจะฆ่าแต่มีเจตนาเพื่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน แต่สักวันหนึ่งเจ้าตัวก็จะสงสัยว่าเราค่าไหมหเพราะว่าคนอื่นเขาบอกว่าค่าเราก็เริ่มหวั่นไหวใช่ไหมใช่ขนาดเราเราเราคิดว่าเราเก่งเราสวยอะแต่คนนึ่งว่าเราไม่สวยเราขี้เหย่เนี่ยสักวันหนึ่งเราก็ชักสงสัยไปนั่นสงสัยตลอนตะลอนใส่แเวลรานลูกกระจกอะค่ะ ออเหรอเคือมีแตสงสัยว่าไม่เคยมีใครทำใชคือกรรมุนี้เนี่ยมันมันคืออาตมานแนะนำนะถึงแม้ว่าคุณจะถอดโดยไม่มีเจตนาจะให้แม่ตายเพื่ให้ให้ม่ให้แม่ลบความทุกข์ทรมานแต่ถ้าเกิดทําแล้วเขาตายปุ๊บเลยเนี่ยก็เกิดความเขาเรียกวิจิกิจฉาใช่ไหมซึ่งมันไม่ดีเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นข้อหาที่แรงมากใช่ไหมแต่ว่าอาตมาแนะนําว่าเนี่ยให้ให้ลด ให้ลดความดันลถด ด, ดดูแล้วก็เขาไหวไหมถ้าเขาไหวก็อยถอดแล้วถ้าก็ถอดแล้วเขาอยู่ได้สงสาชั่วโมงนะแล้วเขาตายเนี่ยไม่อันนี้ถือว่าเขาเขาตายตามธรรมชาติ ไม่คื อ, อคนไข้เนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ไม่รับการรักษาเพราะเห็นว่ามันเป็นการยื้อชีวิตเป็นการทุกทรมานเป็นการเพิ่มความทุกทรมานแล้วก็เป็นการสร้างภาระให้กับหลายคนคนคนคนส ญ, ญนี่เขาเาจะทุกอย่างได้แล้วก็ต่อเมื่อเขาหมายถึงว่าอยู่ในระยะสุดท้ายใช่คำสั่งแบบนี้เนี่ยคำสั่งเสือลิฟวิงวิวเนี่ยนะ มันจะมีผลก็ต่อเมื่อคนไข้เนี่ยอยู่ในระยะสุดท้ายไม่สามารถจะทําให้ดีขึ้นได้แล้วก็ตายสถานเดียวนะการ ก, การแทรกแซงทางการแพทย์ทําได้เพียงแค่ยื้อชีวิตในกรณีแบบนี้เนี่ยเราบอกว่าขอให้ไม่ต้องไม่ปั๊มหัวใจถ้าหัวใจหัวใจอยู่เต้นไม่ต้องปั๊มถ้าหายใจเองไม่ได้ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะไม่ต้องฉีดยากระตุ้นหัวใจเนี่ยเราสั่งได้นะ การทำเช่นนี้เนี่ยไม่ถือเป็นการฆ่าตัวตายแต่เป็นว่าขอตายตามธรรมชาติไม่ขอยื้อชีวิต mm hmm. นะมันตายจากการที่บอกว่าขอให้หมอฉีดยานะ mm hmm. อันนั้นเรียกว่าเร่งความตาย mm hmm. ยื้อก็ไม่ถูกเร่งก็ไม่ควร mm hmm. ตายตามธรรมชาติทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่คือยือ้อและต่อหลังเริ่มพอไม่ยื้อนะเห็นว่ายื้อนี่อันตรายขอเร่งเร่งก็ไม่ได้ขอตายตามธรรมชาติก็คือว่าไม่ต้อง mm hmm. ไม่ต้องยือ้อะ mm hmm. ไม่ใช่ค่าตัวตายเดี๋ยวนี้ก็ทำกันเยอะน ะ, ะนจริงๆเนี่ยมัน ค, คนสมัยก่อนนะคนสมัยก่อนพอเขาจะลูกเขาจะตายนะเขาจะเริ่มไม่กินยาแล้วแล้วต่อไปก็ไม่กินอาหารแล้วก็าาจะกินแต่น้ำอย่างนี้ไม่เรียกว่าค่าตัวตายนะคือเขาบอกขอตายตามธรรมชาตินะ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก anyway, er uh, ็เป็นอย่างนี้เยอะนะฝรั่งนี่เขาเขากลัวมาเรื่องการป้ามหัวใจบางที่สักไว้เลยนะดีเอ็นเอไอดีดนะ NR No Resuscitation เอ็นอาร์โนริสตูเชสเตชัคือไม่ป้ามนะสักไว้เลยนะเพราะว่ากลัวเกิดไปล้มเกิดไปล้มตายเออเกิดไปล้มฟุบที่ไหนสักแห่งเนี่ยหมอก็ต้องรีบพาไปช่วยชีวิตใช่ไหม ก็ต้องสักเอาไวนะ้ที่หน้าอกหรือที่ไหนองแห่งให้เห็นเลยนะว่าไม่ต้องปั๊มสาเชิญอย่างกรณีสัตว์ประเพทีนะคะเขาต้องทำการทดลองแล้วก็ทำให้หนูทดลองและลายตายเยอะแยะเนี่ยแต่เพื่อผลทาง<ม>ทางการแพทย์เพื่อช่วยคนไนนะไเนี่ย เขบาปไหคะต้องฆ่าอย่างนี้เยอะคือตั้งใจให้ต้องจให้ตายเนี่ยบาปอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าอาจจะบาปน้อยกว่าทำเพื่อความสนุกใช่ไหมอันนี้มีเจตนาดีอยู่บ้างมีเจตนาดีอยู่แต่ว่ามันมาเพราะว่าเจตนาจะให้เขาตายคือถ้าเจตนาที่ไม่ทําให้เขาเจตนาที่จะไม่ให้เขาตายเนี่ยอันนี้ไม่บาป น, นะเช่นไปเหยียบมดอะไรเขาเนี่ยเราไม่มีเจตนาจะจะฆ่าเขาใช่ไหม คือทาศาสนาเนี่ยศีลที่เจตนานะและเจตนาขั้นแรกคือว่าตั้งใจเบียดเบียนเขาไหมถ้าตั้งใจเบียดเบียนแม้ว่าจะปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ต่อโลกมนุษย์นะมันก็บาปมันก็เหมือนกับแม่ที่หิวนะไม่มีเงินเลี้ยงลูกก็ไปขโมยขโมยขนมปังมามาให้ลูกหรือขโมยนมมาให้ลูกนะใช่ไหม อันนี้ผิดมหมผิดศีลแต่ว่าน้อยกว่าขโมยเพื่อเหตุอื่นใช่ไ่มแม่มทำงานเพราะความจำเป็นแต่ความจำเป็นไม่ได้เป็นข้ออ้างว่าสิ่งที่ทำนั้นจะถูกมีคำถามถาม ค, คือว่าในส่วนตัวเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบความไมา่ยึติดธรรมอย่างนี้ค่ะแล้วเวลาไปทำงานหรือว่าในชีวิตครอบครัวเนี่ยมันจะมีแบบ เพื่อนรวงงานขี้เกียจเราทำงานเยอะแล้วบางทีพอมันเห็นปุเนี่ยมันก็เกิดอาการว่าไม่ชอบทำไมถึงเป็นแบบนี้แรกๆก็แบบเมตตาไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้แต่พอบ่อยๆขึ้นแล้วแบบมันแบบยูดยไม่ไหวแล้วหมดไม่ไหวแล้วคาความสงบไม่เจรธรรมะจะมาช่วยใครบ้างอะคะอามาเล่าเรื่องนี้ฟดีกว่านะเมื่อสัก45หปีก่อนเนี่ยมันมีรายการสารคดีโทรทัศน์ของ PBS เนะเรื่องพลเมืองเด็ก ก็เด็กสามคนเนี่ยมามาทํากิจกรรมโน่นนี่ไปนะ <c oughs> เลี้ยงม้าบ้างทาความสอาดโรงเรียนบ้างคราวน <c oughs> ึงก็เด็กปีกประมาณสิบเอ็สิบสองสิบสามเนี่ยมาทํากิจกรรมหนึ่งขนของคือรถไฟรถไ ฟ, ไฟ ม, ม, มีเวลาออกที่แน่นอนต้องต้องรีบขนใช่ไหมปรากว่า บ, บ่าวเนี่ยสมจิตตรงโจหอนขึ้นชกรู้จักมาสมจิตน่ะรู้จกกกักค่ะเน่าชกเหรียญทองอินปิกนะบ้านเดียวกันน่ะว่ะเด็กนี่ยถ่ายทอดสดใช่ไหม เด็กสองคนเนะ่ยผู้ชายก็แว บ, บไปแวบะบไปดูสมจิตชกนะที่ร้านกาแฟข้างๆสถานีก็ปลอยให้เพื่อนเป็นผู้หญิงเนขนคนเดียวเด็กคนนี้แกก็ขนนะตั้งใจขนเลยนะพิธีกรก็เลยไปถามว่าหนูคิดยังไงที่เพื่อนเข้าไปดูสมจิตชกไม่มาช่วยหนูเด็กก็ตอบว่าก็เห็นใจเขาเพราะเขาเป็นแฟนของสมจิตนานๆจะได้เห็นดูสมจิตชค หนูนี่ไม่ค่ยสนใจสนจิตหรอกหนูก็ทํางานหนูไปพี่ที่กองยังไม่พอใจคําตอบก็เลยถามใหม่ถามแจกเลยแล้วหนูไม่โกรธหนูไม่คิดจะด่าว่าเขาหรอที่เขาทิ่งงานให้หนูทํำคนเดียวเด็กตอบดีเลยพี่ที่กว่าหนูคนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างใช่เหนื่อยสองอย่างคืออะไรเนใจด้วยแล้วก็เหนื่อยเอใช่ไหมเหนื่อยกายนี่ไม่เท่าไหร่นะ นนเนนนนนห น, <c oughs> เนื่อยกายไม่อะไรนะแต่เหนื่อยใจนี่นะโอ้มันแย่นะบางทีงานที่เราความทุกข์ในในการทํางานนะเหนื่อยกายแค่20่สาที่เหลือนเนี่ยเจเนหนื่อยใจเหนื่อยใจเพราะอะไรพระโกะดไปด่าว่าเขาไปไปไม่พอใจเขาไปหงุดหงิดเขาจะเป็นเพื่อลงงานจะเป็นเจ้านายก็แล้วแต่เพราะนั้นเวลาทํางานนะถ้าจะเหนื่อยนะขอให้เหนื่อยอย่างเดียว อ่าคราวนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอ่ไม่ยุติธรรก็ดีแล้วแต่ว่าเขาไม่ย่ติธรรมกับเรานะนั่นเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเราไม่ยุติธรรมกับตัวเองเนี่ยอันนี้มันแย่นะเวลาเราเวลาเราทำเนี่ยเรากำลังไม่ยุติธรรมกับตัวเราเองนะเรากําลังซ้ําเติมตัวเราเองเราเหนื่อยอย่างเดียวเนี่ยทำไมเราต้องไปหาอีกอันนึงมาซ้ําเติมตัวเราคนเราเนี่ยมักจะมองว่าแต่ว่าคนอื่นไม่ยุติธรรมกับเรานะแต่เราไม่เคยมองเลยว่าทําไมเราถึงไม่ยุติธรรมกับตัวเอง ใชคราวนี้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะต่อมาว่าเราควรจะไปคุยกับเขาอย่างตอนี้แต่คนนี้นะเด็กเนี่ยเออถ้าทํางานเสร็จแล้วคนของคุณรถไฟเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปคุยกับเพื่อมาทมําไมเธอทำแบบนี้อาจจก็มีข้อตกลงมาต่อไปเธออยทํางนี้นะอะไรเงี้ยต้องทํา2อย่างคือทําจิตและทำกิจนะทำจิตคือไม่ทุกข์นะส่วนทํากิจคือว่าไปแก้ปัญหาจัดการเขาเมื่อก็ป่วยนะ เราป่วยเราก็ไม่โวยวายไม่ตีโพยตีภัยทําไมต้องเป็นชั้นอุตส่าห์ทำบุญถ้าอุตส่าห์เข้าวัดปฏิบัติธรรมไมได้ันป่วยทำเงี้ยซ้ำเติมตัวเองแทนที่จะป่วยกายก็ป่วยใจด้วยเราต้องทําจิตนะคือว่าใจเราไม่ทุกข์ทุกข์แต่กายใจไม่ทุกข์และทํากิจ ด, ด้วยทํากิจคืออะไรต้องรักษาต้องดูแลสุขภาพออกกําลังกายกินอาหารถูกต้องในการทํางานเนี่ยเวลามีความขัดแย้งเนี่ย กับใครก็ตามแล้วมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นก็ตามนะทำสองอย่างทํากิจจะทําจิตทําจิตคือเราไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่ไม่โมโหแต่ว่าทํากิจ ด, ด้วยคือต้องจัดการกับปัญหานั้นด้วยปัญหามีไว้แก้นะไม่มีไว้กลุ้มนะหรือว่าไม่ได้มีไว้หนะีงุหงิดนะอาจารย์คะขออนุญาตสืบเนื่องมาจากคุณนันทอินมากคือปัญหาเดียวกันใช่เราก็รู้สึกว่าเราเมตตา เราแผ่เม่ตาให้เราทนแต่เมื่อเราไม่ได้และคนบางคนเนี่ยเราสามารถพูดหรือเคลียร์กันได้บางคนเปิดใจรับบางคนไม่เปิดใจซึ่งมันก็ทําให้เราเหนื่อยทีเนี้ยเราจะทํำยังไงเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่าในกรณีคนที่เราพูดด้วยไม่ได้เพราะเขาอาจจะมีอัตราหรืออะไรที่เขาไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รับเราจะมีวิธีการทําอย่างไรให้เขารู้ว่าอย่าอู้นะคะหรือแบบว่า อย่าเม้ามากคเขาไม่ฟังไงคะบางทีบอกไปเขาก็เพลินเขาก็คือจะมีวิธีการจัดการหรือว่าทำยังไงเพื่อที่จะให้เราเราและเขาเนี่ยทำงานด้วยกันต่อไปอย่างถาสุขทำสองอย่างไหมง่า ย, ายอันแรกคือว่าพยายามทำดีกับเขานะช่วยเหลือเขาเอื้อเฟื้อเขานะหลายคนเนี่ยมีเพื่อนบ้านที่ไม่น่ารัก ใช่ไหมเอาเอาขยะมาวางไว้หน้าบ้านส่งเสียงดังใช่ไหมเขาทํำยังไงฮะเขามีมีสงการปีใหม่ก็เาของขวัญมาให้สร้างความเป็นมิตรนะสร้างความคุ้นเคยพอเป็นมิตรกันแล้วเนี่ยพฤติกรรมก็น่ารักขึ้นใช่ไหมไอ้เรื่องอันนี้มีตัวอย่างเยอะมากเลยนะเพื่ว่าเพื่อนบ้านไม่น่ารักนะแต่ว่าแทนที่จะไปด่าว่าเขาเนี่ยไปเป็นเพื่อนไปสร้างสมรรธภาพไปทําดีกับเขาเพราะว่าพอเป็นเพื่อนแล้วเก่งใจ อันนี้เลือกชนะใจเขาด้วยความดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทำได้ได้ผลทุกคนใช่ไหม<ช>อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าอันนี้แรงหน่อย <c oughs> บอยคอรดบอยคอรดไม่ให้ความร่วมมือ <c oughs> ไม่คุยไม่คบค้าสมาคมผู้เจ้าก็ทำแบบนี้เหมือนกั น, น, นความบาท <c oughs> เช่นถ้าถ้าเห็นว่าคนถ้าสำนักงานเห็นว่าไอ้นี่คนี่คือปัญหาพูดถらいไม่แก้ไขนะก็ความบาต <c oughs> ไม่พูดคุยไม่สงสิงใช่ แต่ต้องทํำหลังจากที่เราพูดกับเขาแล้วทํำดีเขาแล้วก็ไม่แก้ไขใช่ไหมเนี่ยถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จโอยส่วนใหญ่ไม่รอดแล้วพอนที่สองนี่ไม่รอดแล้วไม่รอดเออไม่มีครความบาดเนี่ยนะเคยเคยทำแบบพระอาจารย์แนะนำนะคะคุณทต้องทำทั้งทั้งองค์กรนะไม่ใช่ทำคนเดียวใช่ไหมอาตมาที่เขาทำบอกอว่าถ้าทุกคนเห็นปัญหาร่วมกันว่าเออหมอนี่คือปัญหานะ แล้วทำดีเขายังไงแล้วก็ไม่หายนะก็ต้องความบากคือในองค์กรนีมีกันสองคนอ๋อเหรอตายแล้วทีนี้คนแรกเนี่ยเขาก็ไปแล้วด้วยตัวเขาเองแพ่ไพทีนี้คนที่สองเนี่ยคือเป็นคนน่ารักทุกประการนิสัยดีอะไรแต่ว่าตัวเองหรือเปล่าเขาเขาแบบว่าเหมือนเขาอู้งานด้วยความที่เขาเป็นคนน่ารักนิสัยดียงอื่นดีหมดแต่อู้งาน ชอบคุยหรืออะไรอย่างเนี้ยมันมันทำให้งานมันแร้อนขึ้นข้อดีอีกมั้ยโดนดุก็จะโดนทั้งคู่ว่าทําไมอยู่ทําด้วยกันสองคนมันช้ากว่าทําคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะพูดว่าเออป้าคะคือเขาก็น่ารักอะฮ่ะแต่ว่าเขาเขาแก่แล้วหรือเปล่าป้าก็รุ่นเนี้ยค่ะก็แก่ป้าพบรักพบรักกันอะไรอย่างเงี้ยแก่กว่านิดหน่อยเกามีข้อดีอะไรบ้างมั้ยมากมายมากมาย นิสัยดีแล้วก็มีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยเท่าอู้วงอ้งานอ่ะมันทําให้งานมันไม่ได้ลุกเรื่วงตามที่เวลาที่มันควรจะเป็นแล้วมันก็ทําให้เราปัญหาในเรื่องโดนเจ้าไฮดุเบ้งเลยตรงไปคือเหมือนเหมือนเหมือนว่าเราต้องทําอะไรให้มันไปอีกหนึ่งเท่าครึ่งถึงสองเท่าเพื่อจะทดแทนเวลาที่เขาทําช้าไปทีนี้ด้วยความที่เป็นมนุษย์นะคะมันก็มีแบบร้อนๆนะคะาอาจารย์ทํางานใช้แรงงานอย่างเงี้ยมันก็ ไม่สามารถระงับความโกรธได้ในบางครั้งอาจจัดการไม่รู้คุณอาจจะไม่เป็นนะคะเป็นรอว่าเป็นอยู่คนเดียวคือเอาเอาคือพยายามเอาข้อดีของเขาเนี่ยมาเสริมมาทดแทนไอ้ข้อที่ไม่ดีของเขาใช่คือเขาจะเป็นคนที่ช้าเฉยทำไงเราจะเอาเอาข้อดีของเขาเนี่ยมาทดแทนไอ้ความช้าความเฉยเนี่ยคือสมมุติว่าเราไอ้ความช้าความเฉื่อยเขาเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะ แต่ตมาว่ายังไงมันก็คงพอแกได้บ้างแต่น้อยเนี่ยถ้าก็มีข้อดีอยู่บ้างเนี่ยเอาข้อดีอเ้ามาทดแทนเช่นเคยแตมาก็เจอบางทีเพื่อนในเพื่อนที่ทํางานเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นกรณีอื่นนะก็เป็นคนที่ผิดนัดมาสายใช่ไหมแต่ว่าเขาเป็นคนที่จริงใจกับจจริงใกับเพื่อนร่วม ง, งานใช่ไหมในสิ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็เอามาเอามาใช้มาทดแทนได้ใช่ไหมแต่ว่ายังไงก็พยายามพยายามผัก พยามลุ้นพยามผักสายเชียเขาหน่อยใช่ไหมแล้วก็เอาเอาเอาเอาจุดเด่นของเขามาเอาข้อดีของเขามามามาทำมาเออแบบบาลานใช่ไหมใช่เนาะว่าแบบมันเหมือนกับว่าสมมติว่าถ้าเราเห็นข้อดีเขาแน่นอนเราก็จะเป็นมิตรกับเขา อย่างสมมติว่าอย่างถ้านับเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าเห็นข้อดีแล้วก็ทํางานกับเขาให้สนุกแล้วไอ้ข้อที่เราเป็นน่ะอย่างเช่นเราทำงานเราเป็นคนที่ทํางานเยอะมากแล้วเขาไม่ค่อยทำไอ้ช่วงแรกๆเนี้ยเราอาจจะต้องยังไม่มองตรงนั้นแต่มองข้อหนึ่งเขาจนกระทั่งเขารักเราถ้าเขารักเราเนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี้ยที่เราทําอะไรแล้วเราขอให้เขาทำเนี้ยหรือเราว่าเขาหรือเราสอนเขาอะ เขาจะฟังเรามากกว่าตอนที่เขาไม่ได้รักเราหรือว่าเราอยู่กับเขาด้วยความรู้สึกที่ตําหนิสิ่งที่เขายังไม่ได้ทําแต่ยังไม่ได้บอกข้อดิ่งเขาเยอะแยะเราะนั้นเวลาน้องๆเขารับรู้ว่าเราเห็นข้อดิ่งเขาเยอะมากพอเนี่ยมันก็ใช้เวลานะคะจนวันหนึ่งที่เขารู้ว่าเรารักเขาเนี่ยเพราะวันหนึ่งที่เราขอเขาว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยบางทีมันก็ทําให้มันทําให้คนอื่นเหนื่อยเยอะกว่านะอะไรเงี้ยอยากให้เขาปรับ ใส่แรงมากกว่านี้เขาก็จะฟังแล้วก็ยินดีนะคะเหมือนกับได้พยายามเต็มที่แล้วเนี่ยเชื่อใส่ความพลังบวกหรือพลังความรักในใจเราเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเสริมเพราะบางทีพอเราพูดอะไรไปเนี่ยด้วยด้วยด้วยความสมานที่ดีต่อกันด้วยความที่มีความรักความผูกพันกันเนี่ยที่เขาฟังมากกว่าหรือน้อยเกรงใจ คิดว่าคนแบบนี้เขาคงเกรงใจนะใ ช, ใช่คือน้องเขาจะบอกว่าคือเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าเรารักเขามากจนกระทั่งพอเขาเห็นเราทําอะไรเยอะๆแล้วเขาเกรงใจจนเขารู้สึกว่าเขาเขาควรจะทำโอเคไหม พยายามมาอีกหนึ่งปีเดี๋ยวปีหน้าคนมาคูดใหม่คนเก่ า, านี้พยายามไปหกปี้ห <c oughs> คนปัจจุบันนี้ <c oughs> นปีขึ้นปีที่ส <c oughs> ามหลงไใช้ <c oughs> หรือว่าเราเราจะคิดอย่างนี้ถ้าสมมุติเราคิดว่าเหมือนเราคิดว่าเราจะเราเราไม่เจอแบบนี้เราอาจจะเจออีกแบบหนึ่งที่หนักกว่านี้อบา<ค> ง, <อ>งทีเราเจอคนที่ใจดีแล้วเป็นอย่างที่บอกเนี่ยอาจจะอุ้งงานนิดหน่อยแต่ในขณะที่ว่า เฮ้ยยังดีนะฉันเจอคนนี้นะถ้าฉันเกิดเจออีกคนคนเอาหน้าเลยเลยขาเขาอี้เขาจบนิ่งท่าเลยขาเ็าอี้เราแทงข้างหลังนะมันมีความรู้สึกว่าน้องจะยิ่งหนักหวือนไงมันจะเรารู้สึกว่าเจอคนต่อไปคืออู้อย่างเดียวไม่พอนะคือขัดขาเราอีกใช่อาจจะมันมันไม่มีคนที่ถูกใจหมดเนี่ยนะคะเนาะบางทีเราต้องเห็นว่า บางทีเราใช้แต่ในสถานการณ์ที่เราแก้ไขไม่ได้ว่าเอวิธีถ้าเกิดไม่เจอคนนี้นะฉันอากจะเจอหนักกว่านี้อะไรคิดบวใช่ใอย่างนั้นมันมันเป็นเรื่องจริงในสมมติว่าเราเจอน้องที่ทํางานได้เก่งเหมือนเรานะคะเราจะเจอหนักอันหนึ่งคือเขาเถียงเราเขาไม่ฟังเราเลยแล้วเขาก็แบบว่า แอนตี้ทุกอย่างที่เราพูดอันนั้นเราก็จะหนักอีกมันอาจจะสวิทกลับไปกลับมาว่าเขาจะรู้สึกว่าคนเนี้อู้งานเพราะฉันทำได้มากกว่าเธอเราอาจจะเปลี่ยนตำแหน่งกันเราอาจจะทุกคนละแบบอะไไม่รู้เหมือนกันแอนตี้จริงขึ้นไปได้สูงเออมีแดดไหมเฮยมีช่วย โอ้ตอนนี้กาลังดีเลยหลวงพี่ต่อยสามช่งได้ๆอะไรนะอากาศกาลังดีเลยตอนแรกหนาวมากเลยหลวงพี่แบบาจะฟังหลวงพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเนียนะคือมันมีมานมาคจนไงคือแบบความหนาวมันหนาว้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเแบบแต่ตอนนี้เรื่องนี้สงบสงบสงบเพราะรู้สงบเพราะรู้สาคัญมากเลยจิตแม้รับรู้ถึงความหนาวแต่ใจก็สงบได้ เอาเชิญอย่างอย่างสมมติว่าแบบเรามีปัญหากับน้องสะพ้ายเยค่ะแล้วแบบไม่พูดกันแบบเป็นปีเลย เราคยไปเข้าสมาคอสหนึ่งแล้วอาจารย์ก็บอกว่าจะต้องอโหสิกรรมให้กันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะผูกพิดกันไปชาติหน้าจะเชิกันทีกันเลยประมาณนี้ค่ะก็เลยโทรไปคุยกับน้องชายแล้วก็น้องชายเออดนวยนะอะไรางโผเนี่ยฟังไปป่งมาไอ้ก้อนเวป่ะใช่ป่ใช่เลยโทรไปเออบอกว่าอะไรที่บอกว่าทดกันก็ขอโทษนะอะไรเงี้ยโหสิกรรม้คุยกันแล้วกันแี้ค่ะแต่พอโทรไปเสร็จตอนนั้นก็รู้สึกดีแต่พอหลังจากวานนี้มันก็ยังเรือง อย pues ู่อ่ะค่อนเราเน้นแค่เน um ี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันแบบคือก็คือตอนนี้ก็ดีคือมาคุยกันแล้วกับน้องชายกับน้องสะพ้ายแล้วก็ดีก็คุยกันแต่น้องสะพ้ายก็ยังแบบนิดๆแต่น้องชายก็คุยกันแล้วเลยค่ะแต่ว่าความรู้สึกมันยังแบบเหมือนกับว่าเราไม่ได้ให้ให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นเลยเี้ยแต่ว่าคือก็พูดไปแล้วน้องสะพ้ายกับน้องชายก็บเออก็ขอโทษด้วยทําอะไรไปอดี๋ยวนี้ก็เหมือนคุยคุยการนะคะแต่ก็เหมือนกับแบบมัน ให้อภัยจริงๆอ่ะขอบคุณมันทํำยังไงมันถึงจะแบบว่าเฮ้ยเราจะแบบให้อภัยเขารู้สึกดีๆแล้วคุยกันให้แบบคุยกันแบบไม่ติดขีดตังห่วงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดสมมติเจอแบบอย่างปีนี้จะกลับเมืองไทยไไคุยกันหน้าตาจะเป็นยังไงเพราะแบบก่อนนะหลังจากที่คุยกันแล้วเนี่ยหลังจากก็มีเหตุการณ์ที่แบบน้องสะพ้ายทำอะไรกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยยิ่งทำให้น้องแบบเอาแล้วทำไมต้องทำด้วยอย่างนี้นทํำไมอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลย ไม่รู้กลับไปจะคุยกันได้ได uh> um> uh> ah> ้หรอเปล่าอะไรอย่านีค่ะมันจะมีธรรมะข้อไหนมาช่วยก็ต้องเจริญเมตตาภาวนาบ่อยๆเวลาทุกคืนถ้าทำได้แผ่เมตตาให้เขาเพราะว่าการที่เขาทำอย่างนั้นเนี่ยเขาคงไม่มีความสุขหรือพาะไม่มี่้อไม่มีความสุขก็ต้องทำอย่างนั้นนะ ไม่มีความสุขเลยทําอย่างนั้นและทําแล้วก็ไม่มีความสุขด้วยใช่ไหม <Okay. S 1> แต่คนบางคนแล้วก็ยังจมอยู่กับ <Yeah. S 1> ยังจมอยู่กับวัตจักร <Yeah. S 1> มันก็อยู่ในคุกนะคือมันก็ทำซ้ําแล้วซ้ําอีกนะทั้งที่ไม่อยากจะทําะั้นก็ต้องแผ่ไม่ตายเขาด้วยแล้วก็พยายามที่จะแผ่ไม่ตาที่มันก็เรียกว่าเป็นการทำ mm. ทำท ำ, ทำจิตนะ mm. ทำจิตของเราไม่ไม่ให้อภัยเขาได้ง่ายขึ้น mm. อ๋อไม่เอาแง้แผยม่ตาคือแค่นึกนึกเห็นนึกเห็นหน้าเขานึกเห็นหน้าเขามีความสุขนึกเห็นหน้าเขามีความสุขอ๋อเนี่ยในในฐานะที่อาจจะเป็นคอรเราเราขออธิบายอะไรอธิบายคือเวลาที่เราเอ่อเวลาที่เราสัมผัสกับผัสสะหรือว่าสมมติว่าเจอกับเจอกับตัวตนของเขาเนี่ยความจริงมันจะมีจิตสองด้านอยู่สมอ แต่ว่าที่ผ่านมาด้วยความที่เราไม่ชอบเขาเนี่ยเราฟังจิต ด, ด้านลบบ่อยจนกระทั่งจิต ด, ด้านลบเนี่ยถูกต่อวงจรง่ายแล้วก็ถูกหมุนเวียนอยู่ใช้แล้วซ้ําแล้วซ้าเล่าได้บ่อยจนกระทั่งมันเหมือนเป็นไฮเวย์แต่พอตอนที่ทำเวิร์กช็อปแล้วเราให้อภัยเขาเนี่ยนั่นคือพลังของจิต ด, ด้านบวกของเรามันถูกเสริมขึ้นมาเหมือนเราเปิดเหมือนเราเดินก็ไปเจอป่าแล้วเราก็เราก็เดินลุยเข้าไปแล้วเราก็เห็นเส้นทางที่มันทําให้เรามีความสุขแต่ว่าไอ้จิต ด, ด้านเนี้ย เราก็ยากมากที่จะชนะสิ่งที่เราทำเล่าเดิมมานานๆเพราะฉะนั้นอของนานนั้นก็จะใช้วิธีที่อย่างคล้ายๆกับที่หลวงพี่บอกคื อ, อนึกถึงเขาด้านบวกนึกถึงตอนที่เขามีความสุขนึกถึงตอนที่เขาทําให้เรามีความสุขแม้มันมีเพียงน้อยนิดแต่พอตอนที่เราคิดเนี่ยแล้วเราคิดบ่อยๆเหมือนเราหลอกสมองอะคะ่ะเราหลอกสมอ ง, มมองที่จะคิดบ่อยๆบ่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเขาทําดีกับเราเยอะมากและเชื่อไหมว่า พอเราหลอกมันไปเรื่อยๆอยู่ๆเราจะนึกถึงความดีที่เขาทำกับเราได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นอัตโนมัติแลวเขาทากับเราจริงนะฮะแต่ตอนก่อนนะั้นะนะ่นะจิต ด, ด้านลบของเร า, า่คิดบ่อยจนกระทั่งมันปิดร่องรอยการมองเห็นความดีของเขาเพราะเราฝึกตัวเองที่จะคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆจนด้านเนี้ยชนะได้เมื่อไหร่เราก็เจอหน้าเขาเนี่ยจิต ด, ด้านเนี้ยจะทำงานทันทีแล้วทาให้เรารู้สึกรักและเมตตาไป คือเราต้องนั่งถ้าอยากดีเขาจริงจนั่งอยู่เฉยก็ต้องนึกถึงตอนที่เขาทําดีคิดดีจะนอนก็ต้องคิดสิ่งที่ดีของเขาอะไรอยงี้แล้วมันจะลบล้างได้ค่ะมันใช่ใช่พระเจ้าต่างว่าพึงเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเอาชนะความร้ายด้วยความดีเอาชนะความต่หนีด้วยความด้วยการให้ใช่ไหมเนี่ยคือพยายามใช้คือต้องเชื่อในพลังความดีนะ ความจริงเนี่ยคนที่เราคนที่พูดที่เราพูดถึงส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่มีนิสัยดีเพียงแต่ว่า <c oughs> เขาอาจจะเอาเอาสิ่งที่ไม่ดีของเขาโผล่มา <c oughs> พอพอเขาเอาเอาสิ่งที่ไม่ดีโผล่มาเราก็มีเรีแอคชั่นด้วยกันเอาเอ า, เอากุศลจิของเราเนี่ยโผล่เข้าไปกระทบกับเขา <c oughs> ความความดีของเราสามารถจะไปดึงความดีในใจเขาได้ <c oughs> <c oughs> ามาต่อยยกตัวอย่างนัน้นมันมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย กําลังขับรถนะขับรถอยู่ที่ไฮเวย์นะขับรถสบายๆดีนะปราว่ามีรถอีกคันนึงเนี่ยขวามือเนี่ยดันดันปาดหน้าเขาแล้วก็ดา่ารถกระจกลงมาแล้วก็ดา่าผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นนักธุรกิจแกก็โกรธนะทุบปาดเนี่ยแกก็เลยไล่ตามแล้วพอรถของแกเนี่ยขนานกับรถของอีกคนนึงเนี่ย ก็ลกระจกลดกระจลกะจลงกคนเนี่ยพอเห็นอีกฝ่ายหนึง่งลถกระจกก็เตรียมรถมัง่งคือเตรียมดา่า <c oughs> คนที่เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยนะซึ่งตั้งใจจะด่าอยู่แล้วนะ <c oughs> จ, จู่ๆแกก็เปลี่ยนใจได้สติเรือ่องยังไงไมันลูกแกก็พูดขึ้นมา <c oughs> ผมขอโทษไอ้หมอหน้นซึ่งเตรียมจะด่าอยู่แล้วเนี่ยพออีกฝ่ายหนึ่งพูดมาขอโทษแกก็บอกว่าผมก็ขอโทษเหมือนกันใช่ไหม มันพลิกเลยนะจากที่จะด่านะพอเจออีกฝันยนึงขอโทษนะมันเปลียนควาขอโทษเลยแล้วปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็บอกว่าไอ้คุณไปก่อนสิ<ม>อีกคนก็บอกว่าคุณไปก่อนเลยเมืมม่อกี้นยังแย่แ ย, ย่งผิวชนกันอยู่เลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเอือเฟื่อกันแล้วคือมันพลิกมันพลิกเร็วมากนะจิตเนี่ย<ม>ใช่ไหมคำขอโทษของนักธุรกิจคนนั้นเนี่ยมันทําให้มันไปดึงพลังบวกของผู้ชายคนนั้นออกมา ผู้ชายไอ้นักนักโทษเกีน่าอาจจะขอโทษเพราะนึกขึ้นมาได้ว่าขับรถอย่างแก่แกอาจจะอาจจะขับรถคล่อมทางก็ได้อาจจะขับรถคล่อมเลงก็ได้ใช่ไหมก็เลยก็เลยนึกได้เออเราอะไผิดมา้างไปไปไปขับรถแบบเนี้ยมันก็เลยคันคเขเาเา้รีบไปก็เลยก็เลยตะโกนด่าเห็นไหมจะเห็นไหมคนที่กาลังจะด่าแล้วนะพอฝ่ายหนึ่งบอกขอโทษนะมันเปลี่ยนเลยกลายเป็นคาเออผมก็ขอโทษเหมือนกันจากที่จะ ปาดหน้ากลายเปว่าเออคุณไปก่อนนะคือมันแปลอธิบายว่าอย่างเงี้ยคนเราเนี้ยเมื่อเราเมื่อเราทําดีเขานะมันก็จะความดีของเราจะไปดึงพลังบวกออกมาจากใจเขาจนสามารถอาชนะพลังลบได้พลังลบคือความโกรธความยั้งแกตัวพลังบวกคือว่าความเสียสละความเ อ, อเื้อเฟื้อความมีน้ําใจนะพยายามเนี้ยเราถ้าเราถ้าเราสามารถจะใช้ ถ้าเราสามารถจะดึงพลังบวกในตัวเขาได้เนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแตจะดึงจะดึงพลังบวกในตัวเขาได้เนี่ยเราต้องใช้ความดีเป็นตัวดึงมีรู้สิกยคาร์เทอหนึ่งชื่อวิโนโอพาโพเวนะจะบอกว่าเนี่ยเวลาจะเข้าบ้านต้องเข้าทางประตูนะชั้นใดเวลาจะเข้าไปอยู่ในจิตใจเขาต้องเข้าผ่านทางความดีของเขาอย่าผ่านความชั่วผ่านความชั่วมันก็นเดินชนกําแพงหรือเดินชนผนัง ใช่ไหมเขาพูดแบบเว่าเวลาเวลาจะเปลี่ยนแปลไงใครเนี่ยให้พูดถึงให้นึกถึงความดีของเขาพูดถึงความดีของเขาหรือชมเขาใช่ไหมมันทําให้เราเนี่ยเขาไปนั่งในจิตใจเขาได้ถ้าเรานึกแต่จะว่าเขาเนื้อแต่ตำหนิเขาเมืเม่อเราจะเมื่อเราเดินชนกําแพง <c oughs> เข้าไปนั่งในจิตใจเขาไม่ได้ใช้ความดีของเขาเนี่ยเป็นสื่อนีนี่ไม่เหยี่ยนตอนาพูดใช้ความดีของเพื่อนเนี่ยเป็นสื่อเพื่อที่เราจะเข้าไปนั่งในใจเขา เพรความดีคือประตูความเดีของเขาคือประตูที่เราจะเปิดเข้าไปได้ <c oughs> มันมีมันมีมันมีคนหนึ่งนะคนไทยในบอสตันเราให้ฟังนะวันนั้นเนี่ยเป็นวันเสาร์แกไปเรียนแกไปเรียนแ ก, ไ ป, นแกไปเรียนต่อนะแกธุรนะกิจแกไปเรียนต่อที่บอสตันวันนั้นวันเสาร์เนี่ยแกก็แกแ ก, แกลองก็เดินไปช้อปปิ้ง ไปซื้อไปจ่ายตลาดนะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคือแกไม่ค่อยมีเงินนะเวลาแกแกไปจ่ายตลาดจ่ายตลาดไปจ่ายตลาดนี้อาทิตย์ละครั้งแล้วแกจะซื้อแกจะซื้อเขาไม่กี่อย่างซื้อซื้อไข่มา2องขโหลแล้วก็กินไข่นะั้นอาทิตย์นั้นนะ่ะไข่ไข่เจียวไข่ลูกเขยไข่ไข่พะโล่เงี้ยมีวันนั้นเนี่ยวันเสาร์มันก็ประมาณสิบโมงแลคนยังไม่ตื่นกันนะ ตื่นสายเพราะมั น, ม เ, ปนมมเป็นเมืองหมายเลยแถวบรเวณนั้นน่ยก็อยู่ที่กลางถนนเนี่ยก็มีผู้ชายผิวดำเดินมาประกบที่ตัวแกแล้วเอามีดจี่ข้างหลังเอาเอาหมอ น, นั่งกระบอกเนี่ยเอากระเป๋ามาแกก็ให้กระเป๋าตั้งกระเป๋ามีแค่ยีดอลลาร์เฮ้ยทำไมมัมีน้อยมีอะไรอีกสร้อยมีไหมนาฬิกามีไหมกําไรมีไหมไม่มีสักอย่างนะ ห, หมอห น, านาก็เริ่มชุนแล้วบอกว่าเนี่ยคนในเชนี่รวยไม่เหรอ่พราคนนรวยฉันไม่รวยเนี่ยประเทศฉันเพิ่งเจอวิกฤตเศ ร, รษฐกิจนั้นตอนประมาณปีหนะึ่งะประเทศฉันเนี่ยเพิ่งเจอวิกฤตเศ ร, รษฐกิจนะนะประเทศันจนนะแล้วทำไมถึงมีแค่ย0จะไปไหนจะไปช้อปปิง้งเอ้จะไปจ่ายจะไปซื้อของ20เนี่ยทอะไรได้ จะบอไอ้ขายนี่ยนะมันมันแค่โหลละสองตัวลากนั่นเองยี่สบาทเนี่ยซื้อได้เหลือเฟือขายที่คุยกันอยู่นะไอ้ยามเนี่ยยามหน้าอะไรไรเห็นก็เริ่มโทรเรียกตำรวจสาวไทยคนนั้นเนี่ยบเห็นก็บอกกบบอกไม่เก็ดยามบอกว่าเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องรู้จักกันยามก็เลยเอาวางหูโทรศัพท์ไอ้นั่นงงเลยนะเฮยถามเรารู้จักกันเมื่อไหร่ ก็เมื่อกี้นี่ไงแล้วเคคุยกันมาอยู่สักครั้งนะคุยนะนะคุยไปคุยมานะลงเองจบลงเองไงหหรู้ป่าไอ้มอนนั่งคืนกระเป๋าเงินให้แล้วก็ พ, พาพาผู้หญิงไทยเนี่ยไปที่ร้านนั้นจ่ายเงินซื้อของให้แล้วก็ช่วยหิ้วของเนี่ยกลับพามาส่งที่อพาร์ตเมนต์ เพราะว่ารู้เลยว่าพอสงสารว่าโอ้คนไทยนี่มันจนกว่าวตอจนกว่กเราโอ้เนี่ยเปลี่ยนเลยนาจากคนที่เมื่อกี้ยังจะเจี๊นะนะบอกว่านอกจากคืนเงินนะแถมเงินให้5้าสิดอลลาร์นะซื้อของให้แล้วแถมให้ห้สิบดอลลาร์นะบอกว่าสาวททานั่นก็เด็ดใจเด็ดนะวันอาทิตย์นะก็เช้าก็ไปซื้อพวกเครื่องเครื่องคราวเครื่องเครื่องเครื่องปรุงอะไรมานะแล้วก็ไปที่บ้านในหมอเนี่ยไปทาต้มยากุ้งให้ไงวะก็เลยรู้จักกันทั้งครอบครัวเลย คนเนี่ยเมื่อวานนี่ยังจี้กัอยู่นะันตอนนี้จลลี้แล้วเห็นไหมคือคือขนาดโจร น, นะมันก็มีความดีใช่ไหม<ช>แล้วความดีโจรเนี่ยมันนับถือน้ําใจผู้หญิงคนนี้เพราะว่าอะไรโหกูกูจี้มแท้แท้มึงยังบอกกูว่าเป็นเพื่อนกัน <laughs> ใช่ไนหะมอัน น, นี้เรื่องจริงนะอ่าคือโจรเนี่ยนะขนาดโจรเนี่ยถ้าเราแทนที่เราจะไปด่าเขาเราลองพูดดีกับเขาเนี่ยบางทีมันทําให้เขาเนี่ย กลายปเป็นเพื่อนได้นะแล้วะทุกคนมีความดีในตัวอยู่ทั้ว่าเราจะดึงความดีเข้ามายัางไงคนเราเวลาทําช่วเนะี่ยเพราะว่าความดีเขาอ่อนแรงความหรือพลังบุกพลังลบก็เลยมาครอบงำหน้าที่เราหรือทิ้าช่วยเ็ได้คือดึงพลังบุกเข้ามาออกมาจะเป็นคําชมความเมตตากรุณาความเอื้อเฟือ้อเด็กเด็กเด็กเด็กเลือกขอนี่นะทีพอชมสักหน่อยนะโอยกลายเป็นเด็กดีขึ้นมานะ เนื้อมามีเรื่องเล่านะมีมีค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยซึ่งซึ่งเริ่มโดยอดีตนักเลงพวกอันถานเนี่ยเขื่อตอมาทําคงกลุ่มคืคอกลุ่มผูการนี่มีโครงการสนับสนุนพวกค่ายเนี่ยนะก็มีอดีตแก๊งอันถานเนี่ยอดีตหัวหน้าแก๊งอันถานเนี่ยมาขอทําค่ายก็ให้เงินไปก้อนหนึ่งนะ แล้วคนนี้เขาก็ไปเรียกพวกไปดึงพวกแก๊งอันตาพาเนี่ยแก๊งพวกเกเลเนี่ยมาเข้าค่ายนี้เพราะอยากเปลี่ยนนิสัยลูกน้องเนี่ยก็โอเคไม่อยากไปแต่ว่าลูกพี่ชวนก็ไปแต่พอรู้ว่าอีกแก๊งหนึ่งก็มาด้วยมาเข้าค่ายด้วยนะเฮ้ยไม่ได้นะเตรียมมีดเตรียมปืนเตรียมอาวุธเลยนะ พอไอ้แก๊งสองแก๊งนี่เข้ามาในเข้ามาในหมู่เข้ามาในค่ายนี่นะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านก็ตกใจนื่ว่ามันจะตีกันหรอเนี่ย<ม>เพราะชาวบ้านคุ้รู้จักพวกนี้ดีเลย<ม>นะมันก่อกวนเป็นประจำ<ม>ก็เกือบจะตีกันหลายครั้งนะปรากว่าไม่ตีกันชาวบ้านก็เออชมไอ้เด็กพวกนี้มันดีด้วยนะไอ้บรรลุพวกนี้พอชาวบ้านชมก็เริ่มรู้สึกปลื้ม ใ, ใจใช่ไหมเพราะไม่เคยมีใครชมเลย แล้วค่าย น, นี้มันมีกิจกรรมบังคับนะคุณข้ า, ขากับเทียตมาเล่ามาสักครู่เรื่องเด็กที่ไปไปบ้านพระกุญชลามีกิจกรรมว่าต้องไปทํากิจอาสาแต่พวกนี้ไปทำกิจอาสาคืออะไรก็ไปเป็นไปเป็นไปช่วยตํารวจตั้งด่านช่วงวันปีใหม่ส่งท้ายปีเกา่าเพราะว่ากินเหล้ากัาเนเยอะใช่ไหมเขาก็เลยไปช่วยตั้งด่านกับตารวจตํารวจก็งงนะไ อ, ไอ้พวกนี้คือปรปักษกับตํารวจนะ <c oughs> ตอนนี้มันดันมาช่วยตํารวจนะ ชาวบ้านเขาก็เห็นนะไอ้นี่มันพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นก่อกวนประจําแต่มันกลับมามาเป็นมาช่วยทําความดีชาวบ้านก็ชมนะโอ้ยหลายคนนี่เขาปลื้มมากนะเขาบอกเนี่ยเกิดม า, าไม่มีใครชมกันเลยนะเขาสึกว่าเขาทําความดีได้ทําความดีแล้วมีคนเห็นทําความดีแล้วเนี่ยทําขึ้นใช่ป่ะบอกว่าหลายคนที่เปลี่ยนพฤติกรรมเลยนะมันไ ม, ไม่ไม่มาไม่มาเป็นแก๊งกลับสมุไรแล้ว กลัมาเป็นคนกลัมาเป็นคนดีคือเราเห็นเรื่องแบบ น, นี้บ่อยมากเลยนะคนที่คนที่เขาทําชั่วเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ไม่มีความดีในตัวหรือว่าเขาหรือว่าความดีเนี่ยมันมันถูกกดเอาไว้ด้วยความความรู้สึกแย่ <S <S คําชมเนี่ยนะชมแบบจริงใจนะและชมในความดีที่เขาได้ทําจริงๆนะแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยมันทํำให้พลังบุญในใจเขาเนี่ยงอกงามและพลังบุญในใจทํำไมงอกงามจุดหนึ่งนะมันก็สามารถจะ กำจัดพลังลบหรือกดข่มพลังลบได้นี่ขนาดพวกนักเรียนกันตพานนะมันก็ยังเราก็ยังเห็นเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะเพราะความดีเพราะคําชมหรือแม้กระทัางคำขอโทษอย่างที่ธารมะเล่าตัวอยา่างเมื่อสักครู่แล้เราเจอคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยซึ่งก็คงไม่ได้แย่ไปอย่างแย่อย่างที่ที่เล่าเมื่อสักครู่นะก็คิดว่าเขาเปลี่ยนแปลงได้ลนะองใช้พลังบวกหรือว่าใช้ความดี ดึงเอาความดีหรือพลังบวกในใจเอ้าออมาแต่ต้องใช้เวลานะต้องใช้กับความอดทนด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราทําแบบนี้กันเนี่ยเป็นนิสัยแล้วมันเป็นร่องแล้วยกตัวอย่างง่ายๆกับพ่อแม่เราเนี่ยนะเรารักใช่ไหมแต่บางทีเวลาคุยเราคุยทัน้นทันทวนๆใช่ไหมบางทีเราก็อไม่คุยก็มีกับคนกับคนอื่นเนี่แหมเราคุยดีใช่ไหมแหมพูดจาไพเราะเอาน้ํามาเสิร์ฟอะไรมาให้ แล้วกับพ่อแม่เราบางที่เราเราไม่ได้ทำอย่างนั้นกับคนที่เรารักเราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะไม่ใช่เพราะเราไม่รักแต่ว่าเพราะว่าเราทํำแบบนั้นจนชินแล้วไ ง, งใช่ไหมเฮ้จะเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาอ่อนโยนกับเขาใหม่เนี่ยมาต้องใช้ต้องใช้ความตั้งใจและความกล้าแล้วก็ใช้ความเพียรด้วยใช่ไหมหลายคนเนี่ ย, ยจะเพียงแค่จะเริ่มพูดดีกับพ่อแม่นะ ไม่แวดแวดใส่เนี่ยนะใช้เวลานะแต่ทำไปทำไปเนี่ยมันเห็นผลดีขึ้นจะกอดเขาเนี่โอ้ไม่กล้ากอด น, นะแต่ว่าต้องใช้ความกล้าในการกอดครั้งแรกพอกอดแล้วเนี่ยโอยแม่ก็บอกไม่เอาแม่ก็แก้งตำรอกอย่าทำอย่าทำ <c oughs> แต่วันหลังก็ถา ม, มน้องว่อะไรจะกอดด <c oughs> <c oughs> ีนะคือมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่ทำซ้ำซาจกจนกระทั่งเกิดความเคยชินไงนอ มค่ะมีนี่คือปัญหาที่เกิดจากตัวหนูเองเลยนะคะคืออารมณ์โชว์บ ค, ค่ะฝั่งทีปีแตกแบบแค่อารมณ์นิดเดียวแล้วปีแตกขึ้นมาแล้วพอห้าหนาทีให้หลังก็จะรู้สึกเสียใจโอ้ยทำไมแค่ปัญหานิดเดียวทำไมต้องใส่อารมณ์ต้องปีแตกต้องอะไรแล้วจะโดนกับคนใกล้ตัวจะทากับคนใกล้ตัวมากเลยซึ่งคิดว่า รู้ตัวเองนะคะรู้ว่าไม่อยากทำไม่อยากอะไรแต่บางทีชั่วแค่เสี้ยววินาทีนี่ค่ะต้องนั่งสมาธิเยอะเยอะยังไงมันเป็นมันเป็นร่องเนี่ยมันเป็นร่องมันเป็นจิตมันมีร่องที่มันมันอยู่มันมันอยู่ในร่องนี้เนี่ยนานจนกระทั่งมันทำโดยอัตโนมัติใช่ไหมอ่วิธีแรกที่จะช่วยได้คือว่าให้เรารู้ทัน คือก่อนที่จะเจอเขาเนี่ยนะต้องรู้ต้องเตรียมใจไว้เลยนะว่าเดี๋ยวเราจะปี๊ดแล้ว <c oughs> ให้เราเตรียมอาไว้นะเตรียมใจไว้นะมันจะช่วยทําให้เวลาพอพอมีอารมณ์ปี๊ดขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะเบรกได้อย่างน้อยไม่พูดออกไปเดี๋ยวอี ก, อ ก, อกนิดหนึ่งขัดนิดหนึ่งคือบางทีก็เหมือนกับว่าในช่วงของอเวลาของผู้หญิงนะคะจะมีหนึ่งวันก่อนที่ผู้หญิงของผู้หญิงจะมีฮอร์โมนจะสูงมากเรนี้นะคะแล้ว ไอ้ลอกอย่างเนี้ค่ะเขอกอ๋อนี่ยเป็นการตั้งใจคือหนูชอบหนูชอบบอกว่าวันนั้นของผู้หญิงเขาเรียกว่าวันนั้นจะอยากรับประทานสามีเป็นอาหารเป็นพัฒนาหารเป็นพัฒนาหารอะไรอย่างงี้ยพัฒนาหานคือต้องต้องต้องเตรียมใจไว้ว่าเออเนี่ยเราเราต้องระวังนะวันเนี้ยนะเราต้องระวังเพราะว่ากายเราก็ดีรวมทั้งไอพฤติกรรมที่ทําซ้ํากเนี่ยนะ ร่องอารมณ์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะหลุดออกมาได้ง่ายใช่ไหมคะไอการที่เราระมัดระวังเนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยไม่เผลอพูดหลุดออกไปแม้ใจเราจะรู้สึกก็ตามแต่ถ้าเราและถ้าเราถ้าเราตือนใจแบบนี้เนี่ยนะนอกจากเราจะไม่พูดออกไปแล้วเนี่ยบางทีเราสือถ้าไม่ไหวเราอาจจะต้องอเดินหนีสักพัก<ม>ค่อยๆแล้วก็อีกวิธีอีกอันที่ดีนะพยายามที่ พยายามที่จะบังคับตัวเองนะต้องใช้ควาบังคับหรือตั้งใจในการที่จะทําดีตรงข้ามกับที่เราทําใช่ไหมเมื่อเทตมาเล่าเล่าเล่าเรื่องสามเรื่องภรรยาที่ถูกสามีว่าประชดประชันอะไรต่างนี่นะเธอคงจะแหววแหววาดก็คงจะเล่นสามีเหมือนกันเวลาสามีมาประชุบประชดประชันเธอแต่พอเธอรับปากกับพระวันนี้เออกลับบ้านแล้วเนี่ย จะทำดีกับสามีจะพูดดีจะเอาน้ำเอาของมาต้อนรับเวลาสามีกลับบ้าน mm hmm. พยายามตั้งใจทำนะแล้วปรากฏว่าไอ้ความดีที่ทำเนี่ยนะมันก็จะช่วยทำให้ช่วยลดทอนพลังลบที่เราเคยทำเป็นประจำเช่นนิสัยที่เราโกดง่ายปี๊ดง่ายเนี่ยมันจะช่วยลดลงที่แรกทำดีด้วยกายด้วยวาจานะแต่มันจะส่งผลที่ใจนะ บางอย่างเนี่ยทำดีทางกายเนี่ยมันส่งผลติกใจชัวอย่างเช่นคุณกำลังเครียดนะคุณลองฉีกยิม้มคุณจะรู้สึกเลยนะว่าจิตใ จ, ใจคุณเนี่ยไม่ตอนแรกฉีกแค่ฉีกยิมกย้มพอแค่ฉีกยิ้มพอคุณจะรู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันดีขึ้นหน่อยใช่หจริงคุณทาไม่ได้เี่คุณเอามีมีคนนึ่งนะเขาเอาใช้วิธีคาบดินสอคาดินสอเนี่ย แล้วคุณเครียเนี่ยลองข่าดินสอดูนะเพราะตอนข่าดินสอเนี่ยมันจะมันจะยิ้มหน่อยมันเป็นการหลอกสมองอ <c oughs> ใช่มเมื่อ <c oughs> คุณลอง <c oughs> คุณลองคือตอนแรกเนี่ยใจมันใจมันไม่ไปหรอก <c oughs> แต่ว่าลองกายเนี่ยทํากายให้มันยิ้มหรือว่าใช้วาจาไพลเลาะพูดเพราะเนี่ยนะทำดีเอาน้ำาเอาน้ำมามาให้เนี่ยนะมันจะเริ่มทําให้ใจเราเนี่ยเริ่มอ่อนโยนใช่ไหมนี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทําให้ พลังบวกในใจเราเนี่ยนะมันเพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็ออกมาเป็นการกระทำแล้วต่อไปปัญหาที่ว่าเราจะปีดปี้แตกเนี่ยมันก็จะน้อยลงและพอเราพอเราพอเราทาดีเขาใช่ไหมเขาจะเริ่มดีกับเราเขาจะทำตัวให้หน่าละอาน้อยลงแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอออยู่เขาได้สบายขึ้นนะคือเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราแล้วโอกาสที่เราจะปีดแตกของเขาเนี่ยก็จะน้อยลง น้อยลงพียงหนึ่งเราทํำดีกับเขาและสองเขาก็ทําดีกับเราด้วยข้าวกลุ้มจังไปจ<อ>ังคะ <c oughs> ปัญหาของหนูไม่เหมือนคนอื่นเลยก็ <c oughs> คือก่อนนอนจะสวดมนต์ก่อนส่วนมนต์แล <c oughs> ้วก็นอนทําสมาธิก่อนที่จะนอนแต่ปัญหาก็คือพอสวดมนต์แล้วนนหนูอเอร <c oughs> คือจิตเป็นสมาธิจริงแต่มันตื่นค่ะ หูจะนอนครั้งอีกประมาณสงชั่วโมงกว่าจะนอนได้มันอย่างนี้มันจะต้องแก้ไงอะคะจะว่าสวดมน์นะสวดคือสวดมน์ก่อนแล้วนั่งสมาธิค่ะแล้วก็นอนนอนสมาธิกะว่าหลับไปเลยปัญหาเกิดจากนอนสมาธิหรือเกิดจากการสวดมน์สวดมน์ค่ะเพราะว่าสวดมน์นานแล้วรู้สึกว่าจะตื่นมากคือต้องหาอะไรทําเหมือนกินยาบ้าสวดมน์นานแล้วแล้ว สวดเท่มน้อยลงหน่อยใช่ไหมคอสบะบทอะไรบทพาหุงกับชินนบัญชรทำยาวไมน้าเขาให้แม่ให้สวดอย่างนี้ก็ใช่แต่ไม่มันไม่ยาวเนี่ยพาหุงไม่ยาวพาหุงเนี่ยไม่ถึงสินาทีแชินนบัญชรค่ะคุณแปลด้วยปะไม่ได้แปลค่ะแล้วบางทีก็ตามด้วยรลิอีกอันหนึงเรมตื่นมากคือ ไม่นอนเป็นไปตามทุกวันทุกคืนถ้าสวดค่ะอ๋อลองเปลี่ยนบทดูไหมคุณเอาบทบทจริงๆทําไมไม่ไม่สวดบทที่เป็นที่เป็นธรรมวชิราวัดเย็นเลยเพราะว่าธรรมวชิราวัตคือพาวหุงนี่ก็พัพปริตนี่ก็ไอพาวหุงแล้วก็ชินตะบัญชรนี่ก็ไม่ใช่พุทธพจน์นะคุณลองสวดสิงที่เป็พุทธพจน์ก็ในคำธรรมวชิราวัดเย็นเนี่ยก็จะเป็น ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพุทธพจน์เลยนะจะดีกว่าแล้วก็อย่างน้อยก็ลองทดลองดูว่าช่วยทำให้อัดเลิศขึ้นหรือเปล่าบางทีอ่าพอคือพาวหุงกับพาวหุงกับอ่าชินธะบันช้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของชัยชนะใช่ไหมคราวนี้ เทวดาจะส่งเพิ่มพลังให้คุณเขาคุณเราก็ลองเปลี่ยนเป็นเป็นสวดอิติปิโสแล้วกันอิติปิโสทำให้จิตใจเกิดศรัทธาพอศรัทธาแล้วจิตใจก็จะอ่อนโยนลงอาจจะดีขึ้นบ้างอิติปิโสนอิติปิโสนี่มันก็เป็นเป็นก็มาจากพุทธพจน์ดอนะมาจากพระไตรปิฎกอะชิ้นทบันชอยพระหุ้นที่มาทีหลังนะพันปีที่แล้วนี่อายุ่อใ้สวดก่อน อีดีวิสออีดีอดีอีดิซอก็ดี่อมีอ่านหนังสือหนังสือค่ะเรองสนิจพุตธการตแล้วป่ะง่อนที่ที่ไปไปจำอยู่ที่สถานที่หนึ่งก็จำไม่ได้ท่านบอกว่าท่านสวดบททุกวันแต่บทนี้เป็นบทสำหรับคนขี้เกียจสูงอะไรอ่ะพุทธังสรณนังทัศน์ทมังสระนังทัศน์ แล้วก็แผ่ในตตามีอยู่บทในทุกวันเดี๋ยวจาได้อ่านได้บทอยู่ครั้งนึงและ้วก็จะมีอะไรนะคะที่โจรหรือ่าที่ตอนไปทวาเทียนถวายข้าวอ่ะแล้วก็ถามว่าเหมือนสมัยก่อนจะมีไสยศาสตร์ส่งส่งแบบตะขาบหรืออะไรมาทชกสูดอะที่วเจ้าตัดใช่ไหมทชกษูดนี่พวกมันแรง แต่ถ้าเป็นพวกถ้าพวกผีก็เรืงนย้เมตตาสูตรเจ้าค่ะแต่หลังจะบอกว่าบทนี้เป็นบทที่พี่สวดกับทุกเชา้าแล้วก็ไม่ขี้เกียจแล้วก็นอนแล้วแล้วซึ่งซึ่งซงันเหมือนกับว่าถ้าเราสวดได้แค่นิดเดียวแล้วก็แผ่เมตตา ม, มันจะมันจะทำให้รู้สึกดีขึ้นกับสรรสัตว์เหมือนมนที่ท่านท่านเคยบอกว่าถ้าเราเราทำแล้ว เขาส่งพวกนี้มามันก็จะออกไปเองแล้วเขาก็ทดลองอยู่จำชื่อไม่ได้ตอนนั้นที่อ่านท่านท่านพอจากอาชิบาคไม่ออก ค, คุณเจ้าเนี่ยหรือพระพโตพระโตจ้าค่ะหพรอโตหนังสือเด็ดอยู่ต้องกลับไปดู <ừ. S 1> อีกทีเนี่ยซึ่งซึกบทเนี้ยเป็นบทที่น้องน่าจะได้ที่มีหนังสือ อย่างอื่นตามาไม่รู้นะคุณทามสมาธิเนี่ยคุณว่าตัวมันเสร็จร่งสมาธินอนสมาธิใช่คุณคุณทสมาธิยังไงก็องนอนดูลมหายใจเออนอนดูแบบไหนคุณนอนดูแบบเพ่งด้วยค่ะก็ตามลมหายใจเออเพราะว่าบางคนก็เป็นอัตามาเนี่ยคือถ้าถ้าคือมันมีวิธีคือการเจริญสติเนี่ยบางทีเนี่ยมันทำให้อลเลร์นะเพราะว่าสติความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้น อย้นคุณโดยเพราะแล ะ, และวิธีหนึ่งการที่ไปบังคับจิตให้มันเพ่งก็ทําให้จิตเนี่ยมันมันไม่ยอมหลับบางทีปัญหาไม่จช่ไม่อยู่ที่บทสนหมหรอกอยู่ที่ตอนคุณนอนสมาธิคุณคุณทําสมาธิแบบไหนนะการทําสมาธิ ท, ที่ไม่ถูกก็จะทำให้คุณเนี่ย alert หรือคุณไปไปไปไ ป, ไปเจริญสติหรือว่าสร้างความสึกตัวเนี่ยมันก็ทําให้ไม่หลับ ง, งา่ายตองจำแบบสบายๆผ่อนคลายแล้วก็ รู้บ้างไม่รู้บ้างก็ช่างมันเดี๋ยวมันจะค่อยๆหลับเองแล้วถ้ามันไม่หลับนะก็ช่างมันไม่หลับก็ไม่หลับใช่ไหม อ, อยากหลับเนี่ยมันไม่หลับนะไม่อยากหลับเนี่ยมันดันหลับ <laughs> ใช่ไห ม, <laughs> ไมเวลานั่งสมาธินี่นะแม่ไม่หลับ <laughs> เวลาทํางานดันหลับ <laughs> <laughs> <laughs> เดี๋ยวขอคําถามสุดท้ายนะคะเพราะเดี๋ยวจะมีช่วงที่หลวงพี่จะแจกหนังสือทุกท่านด้วยนะคะคําถามสุดท้ายค่ะเชิญทอน คำถามนี้หนูเคยถามภอาวุโสหงแล้วแต่คำตอบของท่านไม่กระจ่างคือหนูไม่เข้าใจคือเวลาเราคิดเลขเนี่ยค่ะสมองเราคิดหรือว่าจิตเราคิดนะมันจิตกับสมองมันแยกกันไม่ได้นะในมันทำงานด้วยกันจิตเราเนี่ยต้องอาศัยสมองเนี่ยในการทำงานนะในการสื่อสาร จิตไม่ใช่สมองนะแต่ว่าจิตต้องอาศัยสมองเอาเพียงแค่ว่าสมองเสื่อมเนี่ยนะเราก็นึกอะไรไม่ออกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านพูดไปแล้วเนี่ยจิตเนี่ยเป็นคนสั่งเนี่ยแต่ว่าสมองเนี่ยก็ต้องก็ต้องอาศัยความจําที่เราเช่นเราต้อง่อเราท่องสูตรคูณใช่ไหรู้าเราท่องสูตรคูณได้เนี่ยอตัวที่ท่องสูตรคูนได้เนี่ยมันต้องใช้สมองมากเลยถ้าสมองเสื่อมถูกทำลายนะเราก็ท่องสูตรคูนไม่ออก เพราะฉะนั้นเนี่ยจิตต้องอาศัยสมองในการคิดแต่ว really ่าสมองตายเนี่ยแต่จ <no ิตยังรับรู้ได้เนี่ยอันนี้จริงใช่ไหสมองตายแต่จิตรับรู้ได้เนี่ยคนที่สมองตายไปแล้วแต่ว่าหรือว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยตายทางกายแต่จิตรับรู้ได้เนี่ยมีแต่ถ้าเป็นอัลไซเมอร์นะอัลไซเมอร์เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะว่าคนที่อัลไซเมอร์เนี่ย เขายังไม่ตายใช่ไหมแต่เขานึกอะไรไม่ออกแล้วเขาจำไม่ได้โดยซ้ำว่าเขาชื่ออะไรใช่ไหมบางทีจําทางไม่ได้เขาไม่รู้อะไรเลยจิตเขายังไม่ตายแต่ว่าจิตเนี่ยพอจิตทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเพราะสมองเนี่ยมันเสียไปแล้วจากอัลไซเมอร์ใช่ไอันนี้เป็นตัวอย่างว่าจิตต้องอาศัยสมองแต่ว่าจิตไม่ใช่สมองมีอีงไหมฮะ สุดยังไงเกียกเรื่องจิตแล้วก็เริ่องผีผีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นมันจะมีเพจอะไรเยอะแยะที่ออกมาเป็นสองฝ่ายใช่ไหมคะไม่รู้ว่าท่านอาจารย์รูจักฟักโก้หรือเปล่าเพจฟักโก้สิะคะ ฟ, ฟักโก้เหรอใช่ทำไมอ่ะ<ข>ทำไมชื่อนี้อ่ะมาแอนตี้กับเรื่องของจิตเรื่องิญญญา<อ>เรื่องการบวงสรวงทุกอย่างเป็นเพจแล้เออทําไปดูหน่อย ตอนนำ้ัำยังนหนูรู้ิทตามอยู่อเออเดี๋ยว<ข>อาจจะมาไปดูหน่อยพอีแอนตี้ตเลอ่อนเจ็ดยาเล่อน อ, รอกรู้ยนี่มันมปัมไหรืออะไรเ อ, อ, อ่าไม่ใช่คุณนะคะอ๋ะอแล้วก็มีหนังสือเล่มนึงที่มันจะชื่อว่า อ, อะไรที่ทาให้คุณไม่ใช่ผู้เราจะเป็นหนังสือที่ว่าจริงๆที่พวกเรานี่เปี่นแปลงมาเนี่ยใช่ค่ะที่เราที่มันแปลมออ แล้วก็มันก็จะมีความเชื่อระหว่างพราหมณ์กับพุทธว่าเราจริงๆแล้วเราเป็นพุทธแต่เราใช้วิถีชีวิตในการทำอะไรหลายๆอย่างเป็นพราหมณ์ทั้งหมดเลยคืคอมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมที่เราเติบโตมาแบบนี้หรือว่าจริงๆแล้วเราเราอาจจะเติบโตมาด้วยวัฒนธรรมของกลางแล้วเราก็คิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นพุทธ ภาษาชนุสชนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะยากระบว่างวิถีชีวิตแบบตา ม, มกับทุกความเป็นภาษาชนุสชนคือเรื่องบิญยาณเอาคือเรื่องว่ า, าผีเปรตส่วกายเนี่ยตมามเชืวว่อมีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นผ่านเท่าไหร่หรอกไอที่เห็นกันส่วนใหญ่มันก็คิดเัวเองก็เยอะ ไอ้เรื่องบ้างไฟเนี่ยตมไม่รู้คือเพราะอะไรนะแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญเลย<ม>คือเชื่ออะไรไม่สําคัญแต่ว่าเชื่ออย่างไรยก<ม>อย่างใ น, ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีเรื่องเทวดามีเรื่องมีเรื่องมารมีเรื่องผู้นี้เยอะ<ม>แต่พระเจ้ามไม่ถือเป็นสาระไม่ถือเป็นสา ร, ะ<ม>รณะนะยอมรับว่ามีแต่ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมสังสารวัตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีกับเรา ตอข้ามถ้าเราถ้าเราทำความดีเนี่ยเทวดาก็มาสยบมาเคารพเราเหมือนกับเทวดาที่เคารพอนาถบินติกาเศษีใช่มเทวดามาพูดไม่ดีอนาถบินติกาเีก็ไล่เทวดาออกไปออกจากบ้านคือมนุวยเราเนี่ยนะสามารถจะประเสริฐกว่าเทวดาได้ถ้าเราทาความดีใช่ไมไม่ต้องพูดถึงผีเนจริงผีเนี่ยคือเทวดาชนิดหนึ่งผีเป็นเทวดาชั้นต่ำใช่เพราะนั้นเนี่ย ก็ <lifting> <t os> อันที่หนคือว่าใช้หลักการามารสูตรเวลามีเรื่องพวกนี้นะใช้หลักการามารสูตรอย่าไปเชื่อง่ายอย่าเพิ่งไปสรุปว่าเป็นเพราะเป็นเรื่องอิทธิ์อัศจรรย์อะไร <t os> แล้ ว, วสองถึงแม้มันมีจริงหรือว่าถึงแม้มีเปอร์เซนต์ว่าจะเป็นจริงก็ไม่ใช่สาระใช่ไหมถ้าเราถ้าเราวางท่าทีแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องมาทะเลาะ ก, กันหรือว่าไม่ต้องไปรุ่มหลงงม ง, งาย อ่ น, นะฮะก็คงยุติเท่านี้ก็ขออนุโมทนานะที่ทุกท่านได้มาร่วมกันมาฟังธรรมน ะ, ะแล้วก็หลายท่านก็มามาร่วมถวายทานแล้วก็มาร่วมสมาทานศรรนะีลนก็แล้วก็ขอให้ได้ประสบความสุขความเจริญนะ <Okay. S 1> ให้ได้เอาธรรมนามธรรมะนะที่ได้เรียนรู้ได้ฟังได้พิจารณาไปใช้เกิดประโยชน์นะ สุดท้ายนี้ก็ขออ้างคุณพระศิริรัตน์ตรัยนะอำนวยอวยพรให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันณัสสุขภัทรคอยอยู่เย็นเป็นสุขนะประสบความสําเร็จในกิจการงานนะได้พบกับความชื่นบานในชีวิตนะไม่ว่าทําสิ่งใดที่ถูกต้องก็ขอได้ประสบความสําเร็จเมื่อประสบปสระศักนะก็ขอได้ก้าวข้ามด้วยคุณธรรมด้วยความเพียร น, นะขอให้อ่า ทำที่บำเพ็ญนะทำให้เจริญงองงามทั้งในด้วยทานศีลภาวนาจนสามารถบังเกิดปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์ข้อถึงความสุขเกษมสารลนะมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอญใคอยากได้นั้งชิเล่มนี้